สวัสดีทุกท่านนะอ่าเราก็มาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิด้วยกันนะก่อนที่จะเข้าสู่การช่วงของการถามตอบเสวนาเราก็ต้องมาปรับจิตปรับใจให้เข้ากันก่อนนะถ้าหากว่าเรามองเป็นทางเดียวกันสิ่งที่เราจะคุยกัน มันก็จะเหมือนง่ายเหมือนเข้าใจเหมือนกับทุกอย่างเป็นไปนด้วยความราบรื่นเหมือนพวกเดียวกันคนกันเองนะที่มาคุยกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลลักษณะความเป็นพวกเดียวกันนะมีคลื่นจิตคลื่นใจที่สอดคล้องกันเนี่ยนะมันมันมีอยู่หลายแบบหลายเหล่าถ้าหากว่าจะเอาแบบที่พระพุทธเจ้าท่าน สร้างทำไว้คือลงหลักปักฐานพุทธศาสนาไว้เนี่ยก็คือจิตใจประเภทที่รู้สึกเข้ามาในกายในใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเพื่อที่จะดับเหตุของความทุกข์ความกระวนกระวายของจิตเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อที่จะทำสมาธินะที่ถูกต้องอย่าไป เ, เร่งรัด อย่าไปพยายามที่จะทําให้จิตมีความสงบระ ง, งับจากความฟุ้งซ่านแต่ตั้งต้นขึ้นมาให้สํารวจสังเกตว่ามีความพร้อมทางร่างกายที่จะให้เกิดสมาธิจิตแล้วหรือยังถ้าหากว่าร่างกายไม่มีความพร้อมที่จะเป็นฐานที่ตั้งให้กับสมาธิจิตก็อย่าหวังว่าสมาธิจิตจะเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยรูปแบบการบริกรรมภาวนาใดๆ อย่างถ้าหากว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนของร่างกายที่มันมีความเกรง็งมันมีความเครียดอยู่นะจิตมันจะมีความอับทึบมีความมืดมีความรู้สึกฟุ้งซ่านตามสภาวะของร่างกายไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่หากเราสังเกตเนี่ยจะเห็นเลยความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจเนี่ยขึ้นต้นขึ้นมาร่างกายมันจะใหญ่กว่าจิตร่างกายเป็นยังไง สภาวะของใจก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากไม่สังเกตไม่สํารวจหรือไม่รู้ว่าจะสังเกตอย่างไรว่าจะมองอย่างไรแล้วก็ไปหลงนึกว่าจิตเนี่ยมันสั่งได้เห็นมันฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งซ่านเกิดความรําคาญขึ้นมามนก็ไปกดมันไว้ไปบังคับมันให้มันหายฟุ้งซ่านให้มันมีความสงบแล้วมันก็สงบไม่ได้หายฟุ้งซ่านไม่ได้ ตรงกัินค่าไม่ความอยากนั่นแหละมันจะยิ่งทำให้เกิดความกระวนกระวายเพราะทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดความสมอยากสักทีแต่ถ้าหากว่าเรารู้วิธีที่จะสังเกตสำรวจว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันยังมีความเครียดมันยังมีความเกร็ ง, กรงอยู่ไหมนะความผ่อนคลายสบายของร่างกายนั่นแหละที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออ อยู่ดีๆมันก็สงบขึ้นไปเองอยู่ดีๆมันก็เกิดความระ ง, งับจากอาการกวัดแก่งได้เองวิธีสำรวจก็อย่างนี้นะเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ธรรมดาๆนี่แหละยังไม่ต้องนั่งขัดสมาธิเพชรดูว่าเท้าที่วางราบอยู่กับพื้นเนี่ยมันมีความเกร็งไหมมันมีอาการงองุ้มไหมแตหากว่ากล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ฝ่าเท้ามันยังทำงานมันยังรัดตึงอยู่นะ้วก็ผ่อนคลายทำให้มันสบายทำให้มันวางราบกับพื้นความรู้สึกถึงเท้ามันจะว่างแล้วความว่างที่เท้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าพื้นจิตพื้นใจมันหายฟุ้งซ่านมันหายเครียดมันหายเกร็งตามไปด้วยจากนั้นไล่สำรวจสังเกตขึ้นมาว่าฝ่ามือที่วางอยู่กับหน้าตัก มันมีอาการกำรร ม, มันมีอาการเกรงหรือว่าวางสบายฝ่ามือเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอาการยึดและอาการปล่อยวางถ้าหากกำรรอยู่นั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของอาการยึดจิตยังยึดอยู่เนี่ยมันจะไปเอาอะไรไปแผ่นะไปเปิดให้เป็นสมาธิแต่ถ้าหากว่าฝ่ามือวางวางนิ่งๆไม่มีอาการกำไม่มีอาการเกรงแล้ว นั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของการปล่อยวางจิตที่ปล่อยวางนั่นแหละคือจิตที่เปิดจิตที่เป็นอิสระจิตที่พร้อมจะตั้งมั่นเป็นสมาธิความว่างถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าแล้วก็ฝ่ามือใจมันจะเกิดความรู้สึกว่างขึ้นมาครึ่งหนึ่งจากนั้นไล่สำรวจสังเกตขึ้นมาจุดสุดท้ายนะดูว่า ทั้งทั้งใบหน้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขมวดไหมที่มันตึงไหมถ้าหากว่าขมวดนะก็ผ่อนคลายออกนาผากจะรู้สึกสบายเหมือนยื่นหน้าไปหาท้องฟ้ากว้างๆ ล, ล ง, ลงเมื่อฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้ามีอาการผ่อนคลายสบายเท่ากันหมดคุณจะรู้สึกว่าเกิดความสบายขึ้นมาทั้งตัวทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า กล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันผูกอยู่กับสามจุดหลักนี่แหละฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้านอกจากความสบายแล้วผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเกิดความรู้สึกว่ามีสติเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวมันเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยนะคนเราจะคิดคนเราจะอยากอยากยาก มันมีแต่อาการที่จิตยื่นออกไปข้างนอกไม่สนใจเลยว่าตัวเกรงแค่ไหนแล้วกรรมแค่ไหนแล้วแต่พอมาผ่อนมาพักมาคลายทีละจุดไล่ขึ้นมาจากล่างขึ้นมาสู่บนอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเออกำลังนั่งอยู่นั่งอยู่สบายๆนี่แหละยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้กาหนดยังไม่ได้บริการอะไรทั้งสิ้นแค่นี้ก็สบายได้แล้ว เพราะว่าสติมันเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวมันหยุดที่จะยืนออกไปพุ่งออกไปวิ่งออกไปมีแต่อาการที่มันหยุดอยู่กับภาวะอันเป็นภายในภาวะอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันที่มันสบายอยู่ไม่ใช่อดีตที่มันเคยขมขืนไม่ใช่อนาคตที่มันเคยสิ้นหวังมันไม่มี เวลาส่วนอื่นของชีวิตมาแย่งพื้นที่สติรติมีแต่ภาวะทางกายที่มันเป็นปัจจุบันกรองอยู่เอาละตัวนี้เนี่ยเราก็สังเกตต่อไปบางทีนะมันเกิดความเกรงอะไรขึ้นมาเราก็ไล่ไลสารวจสังเกตนับหนึ่งใหม่เลยนะฝ่าเท้าฝ่ามือขึ้นมาจนถึงใบหน้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งยังเกรงอยู่เราก็าสารวจสังเกตแล้วก็คลายมันให้หมด มันจะคลายออกได้เองถ้าหากเราเห็นอาการเกร็งเราเห็นอาการกำรรอย่างเวลาที่มือมันกำเนี่ยเราก็จะรู้ขึ้นมาได้เองว่าอาการแบร่อาการที่มันวางอาการที่มันว่างหน้าตามันเป็นยังไงในภาวะที่พร้อมจะเป็นสมาธิเนี่ยเราแค่สังเกตขึ้นไปนเฉยๆนะว่า สภาวะทางกายในขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องการลมหายใจเข้าไหมต้องการลมหายใจออกไหมหรือว่าเพียงต้องการที่จะหยุดลมอยู่ถ้าหากว่าภาวะทางกายธรรมชาติทางกายมันต้องการลมหายใจเข้าคุณจะต้องเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยเริ่มหิวลมหายใจเริ่มอยากที่จะหายใจเข้าก็ค่อยหายใจเข้า ไม่ใช่ไปมีความรีบร้อนก่อนหน้าที่ภาวะทางธรรมชาติของไก่เนี่ยมันจะเรียกร้องเอาพอรากลมหายใจเข้าได้ถูกจังหวะตามธรรมชาติที่เราตั้งกายมันต้องการจริงๆเราก็จะเห็นด้วยว่าลมหายใจมาสุดที่ปอดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดอยากที่จะระบายออกไปพอระบายออก ไปจนหมดเราก็ดูว่าร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เรียบร้อนอยากจะได้ลมหายใจเข้าใหม่ทันทีมันพักอยู่เฉยๆก็ได้ตอนที่ร่างกายมันไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าไม่ได้ต้องการลมหายใจออกเนี่ยนะมันมีอาการนิ่งไม่ไหวตึงตรงนั้นน่มันเป็นเครื่องเสริมสมาธิ ถ้าเรารู้จักที่จะนิ่งที่จะว่างปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆเราจะรู้จักธรรมชาติของใจที่มันไม่มีอาการกระวนกระวายลองสังเกตตอนหยุดลมหายใจเนี่ยมันเป็นเครื่องสังเกตมันเป็นจุดสังเกตที่ดีที่สุดเลยระบายลมหายใจออกหมดแทนที่จะรีบเร่ง ตามใจอยากนะเอาลมหายใจระลอกใหม่เข้ามาลองสังเกตดูร่างกายที่มานั่งอยู่ขอตั้งหลังตรงอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าทันทีนั่งอยู่เฉยๆยก็ได้ในอาการนั่งอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยแป๊บๆเราก็จะเห็นขึ้นมาเองว่าเออร่างกายเริ่มขาดลมหายใจอีกแล้วก็ลากลมหายใจเข้ามาอีก เวลาลากลมหายใจเข้ามาก็พองท้องออกนิดนึงนะแล้วก็ให้ลมหายใจมันไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติพอสุดแล้วก็ไหลออกไปอย่างเป็นธรรมชาติเช่นกันด้วยอาการอย่างนี้ของใจนะเรียกว่าผู้เฝ้าสังเกตการไม่ใช่ผู้อยากที่จะบังคับลมหายใจไม่ใช่ผู้อยากที่จะได้อาการสมาธิอาการสงบความฟุ้งซ่านหรืออาการใดๆที่มันเป็นความคาดหวังผิ ด, ผด ความคิดมันก็ไม่กระวนกระวายมันก็สงบระ ง, งับตามไปด้วยเหลือแต่จิตที่มันเป็นภาวะผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ใช่ผู้อยากผู้รู้ผู้ดูว่าลมเดียเเดยออเด๋ยวก็ผ่านเข้าเดี๋ยวก็ผ่านออกเดี๋ยวก็ผ่านเข้าเดี๋ยวก็ผ่านออกโดยความเป็นธาตุลมเนี่ยนะเราก็สังเกตต่อไปได้ด้วยว่าร่างกายไม่ได้ต้องการธาตุลม ที่มันผ่านเข้าผ่านออกเป็นสายยาวอย่างเดียวบางทีมันก็ต้องการแค่สั้นๆพอร่างกายมันเต็มแล้วพอร่างกายมันอิ่มแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้ต้องการลมหายใจยาวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงต้นๆตรงนี้เราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจขึ้นมาแต่ละชุดที่มันเข้าแต่ละชุดที่มันออกมันไม่ได้เหมือนกันเลยมันเป็นคนละชุดกันแล้วมันก็มีความยาวความสั้นไม่เท่ากันด้วย เราสําคัญผิดมาตลอดตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ว่าลมหายใจนี้เป็นของเราเราคือเจ้าของลมหายใจกระทั่งมาสังเกตเนี่ยว่ามันผ่านเข้าผ่านออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นนี่มันคนละชุดกันชัดๆเลยเมื่อจิตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงอยู่แสดงความไม่เหมือนเดิมอยู่สิ่งนั้นจะครอบงำจิต จะทำให้จิตเกิดอุปาทานไม่ได้มันเห็นอยู่ชัดๆว่าคนละตัวกันเนี่ยเหมือนเห็นคนคนที่หน้าตาไม่เหมือนกันสลลับหน้ากันเข้ามามันจะเข้าใจว่าเป็นคนคนเดียวกันได้อย่างไรแล้วในนาทีนั้นที่เราเห็นว่าลมหายใจมันไม่เท่าเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม มนโนภาพหน้าตาตัวตนว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเพศหญิงเพศชายชื่ออะไรนามสกุลอะไรมันก็หายตามไปด้วยนี่ตัวนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาปานสติที่ทแท้จริงนะไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแต่สังเกตด้วยว่าลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันมันยาวมันสั้นไม่เท่ากัน จิตที่ถอยออกไปรู้ที่ถอยออกไปดูกองลมทั้งปวงนี่แหละอันนี้แหละที่มันเป็นจิตผู้รู้อ่อนๆถ้าหากว่ามันมีความตั้งมั่นรู้เห็นอยู่คงเส้นคงวาอย่างนี้ว่าจิตว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เท่าเดิมนะมันก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เห็นว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ ปัจจนะัยนะย่อมดับลงไปเป็นธรรมดาภาวะทางใจที่มันรู้ที่มันเห็นอยู่เมื่อลมหายใจไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความปลอดโปรง่งมันมีความสว่างมันมีความสบายความสบายตัวนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสุขเวทนาเป็นสุขเวทนาทางใจมันมีความปลอดโปรง่งมันมีความชื่นบาน แต่สุขเวทนาทางใจเนี่ยก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันกล่าวคือทุกครั้งถ้าหากว่าเราเลาะความฟุ้งซ่านมันกลับมามันทําให้จิตมีภาวะยุ่งเหยิงก็กลายเป็นความรู้สึกไม่สบายตัวความไม่สบายนั่นแหละเรียกว่าทุกขเวทนาอ่อนๆถ้าหากว่าเราเห็นได้ว่าทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่สามารถรักษาตัวเองไว้ได้ นี่ก็เรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเมื่อสามารถเห็นได้ว่าทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนามันไม่เที่ยงเราก็จะรู้สึกได้ว่าจิตเนี่ยนะอาการทางใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีความสงบเดี๋ยวมันก็มีความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับเตุปัจใจที่มาปรุงแต่งในแต่ละขณะถ้าหากว่าสุขเวทนามาปรุงแต่งมันก็เกิดความโน้มเอียงที่จะสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขเวทนาเกิดจากการนั่งสมาธิแต่ถ้าหากว่าทุกเวทนามันเข้ามาปรุงแต่งมันมีอำนาจบีบคั้นจิตใจจิตมันก็เกิดความกระสับกระสายพร้อมที่จะฝุ่งฟ้านนี่ตัวนี้เราเห็นเลยว่าต้นเหตุของความสงบและความฟุ้งฟ้านเนี่ยมันมาจากไหนแท้จริงนะมันไม่ต้องมีอะไรมากระทบกระทั่ง ไม่ต้องมีภาพที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจมากระทบตาไม่ต้องมีเสียงที่เป็นเสียงชมหรือเสียงด่าข้ามากระทบหูเอาแค่ความฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันก่อตัวขึ้นมาในหัวเป็นระลอกระลอกเนี่ยนะถ้าหากว่ามันรบกวนจิตใจเราได้แค่นั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้แล้วมันเห็นอยู่ชัดๆเลยทุกเวทนาทางใจมันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่คนเราไม่เห็นเพราไม่สังเกตมันไม่มีความสามารถที่จะสงบระ ง, งับขึ้นมาคนก็เลยไม่ไมเข้าใจไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานานๆทีเว้นวักจากความ้งซ่านไปนั่นแหละถึงจะเกิดความรู้สึกสงบทางใจมีความสุขทางใจขึ้นมาพอเห็นความจริงนี้แล้วเราก็จะเกิดความสลดหลังเวททางธรรม นั่นคือเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่แตกต่างจากลมหายใจที่เข้ามาแล้วก็ต้องออกไปมันมีค่าเสมอกันจะยึดไว้ทำไมในเมื่อมันจะต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วการเห็นภาวะของใจที่มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตัวนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระ เพราะว่าตัวตนหรืออุปทานในตัวตนเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งมันไม่มีที่ยืนปกตินะคนเราเนี่ยพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยบางทีมันง่ายเพราะเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะสูญเสียอวัยวะไปก็ ร, รู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆบั ง, บงคับไม่ได้ในความรู้สึกที่เกาะติดเหนียวแน่นอยู่นะเป็นตออยู่ในใจเนี่ย เป็นตออยู่ในจิตเนี่ยที่รู้สึกว่าต้องมีตัวตนอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ยากแต่พอเห็นขึ้นมานะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็ทุกข์เดี๋ยวพอมันสงบจากความฟุ้งซ่านไปมันก็สุขแล้วก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันมีสงบบ้างมันมีความฟุ้งซ่านบ้างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆเข้าเนี่ยนะแทนที่ มันจะเกิดความกระวนกระวายว่าเออจงสุขอยู่ตลอดเวลานะจงอย่าทุกข์อีกเลยมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเออจะสุขก็ช่างเถอะจะทุกข์ก็ช่างเถอะเพราะมันก็แป๊บเดียวเหมือนกันการเฝ้าสังเกตความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นี่แหละมันจะเป็นประตูนาไปสู่อิสราภาพจริงๆมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าจิตบังคับไม่ได้ จิตจะให้เป็นภาวะใดภาวะหนึ่งตลอดเวลาไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับเอาเอาละก็มาเข้าสู่ช่วงของการเสวนากันนะตามตอบเอาเลยครับเริ่มอะเมื่อไงหนุม่มสวัสดีสวัสดีครับพี่ตุลก็คือแบบช่วงนี้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเห็นโลกมันแบบเป็นทุกข์ะก็คือมันเหมือนกับว่า อะไรอะไรมันก็เหมือนกับไรสาระละจิตมันก็เป็นทุกข์มันไม่เป็นกลางกับสภาวะครับจิตของหนุ่มมันเหมือนมีความไม่พอใจในตัวเองอยู่ลึกๆนะตอนนี้จริงๆแล้วมันมีความพอใจมากขึ้นตั้งกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้เพิ่งนั่งสมาธิไปอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงบาวะทางใจในปัจจุบันเนี่ย มันก็เหมือนมีความพอใจอยู่พอสมควรนะยงแต่ว่าเราเล่าถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตก่อนที่จะมาเข้าห้องนี้หรือว่าก่อนที่เราจะมีความรู้สึกว่าเออเข้ามาอยู่กับไอ้ภาวะยอมรับอย่างไอ้นี้เขาเรียกว่าภาวะที่ยอมรับได้ว่ามันจะสุขก็ช่างมันจะทุกข์ก็ช่างแต่ก่อนหน้านี้มันยอมรับไม่ได้ คือมันมันดิ้นรนกรรับสะบกระสายอยู่จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยข้างหลังก็ไม่ได้จะอยู่กับที่มันก็รู้สึกว่ากระสะกระสายตัวความไม่พอใจจําไว้ว่าตัวความไม่พอใจมันเป็นขั้วตรงข้ามกันกับความสามารถในการยอมรับถ้าเมาื่อใดเกิดความทุกข์เกิดความกระวนกระวายเกิดความรู้สึกว่า ไภาวะทั้งหลายเนี่ยเราไม่อยากเอาแต่ก็พ้นไปไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าความไม่พอใจแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราสามารถเห็นความไม่พอใจเห็นภาวะกระสับกระส่ายเห็นภาวะที่จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยไปข้างหลังก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันก็กระสับกระส่ายตัวนี้ที่มันเห็นอยู่นะเรียกว่าตัวยอมรับยอมรับว่ามันกระสับกระส่ายอยู่แล้วไปไหนไม่รอด ตัวยอมรับว่ากระสับกระสายอยู่แล้วไปไหนไม่รอดนี่แหละตัวนี้แหละคือตัวปัญญาเป็นปัญญาอ่อนๆคือเป็นจุดเริ่มต้นของสติที่สามารถเห็นเข้ามาในภาวะปัจจุบันว่าจิตกำลังกระสับกระสายฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอาการฟุ้งซ่านให้เห็นได้นะแล้วเราสามารถที่จะยอมรับได้ความฟุ้งซ่านนั้นก็แปรปลีนไปแสดงความไม่เที่ยงแสดงความไม่เท่าระดับเดิม นเนี่ยส่วนใหญ่นะดูจ ะ, จะเจริญสติกันมากี่ปีกี่ปีเนี่ยมันก็จะไม่แม่นกันมันจะจําตรงนี้กันไม่ได้หลักการสําคัญเลยเนี่ยมันไม่ใช่ดูให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะแต่ต้องสังเกตด้วยว่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงความไม่เท่าเดิมอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นความกระสับกระส่ายความรู้สึกไม่อยากจะยอมรับแม้ภาวะอันเป็นปัจจุบันเนี่ย มันเกิดขึ้นกับคนที่จะเดินสติกันมาทั้งนั้นแหละรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยน่าสงสารถูกโลกบีบคั้นนะจริงๆบางทีไม่มีใครมาทำอะไรเราทำของเราเองจิตมันทำของมันเองแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองรู้สึกว่าไปไหนก็ไม่อดต้องติดห่วงคนโน้นติดห่วงคนนี้ เราสงสารคนโน้นเราสงสารคนนี้แที่จริงมันสงสารตัวเองนั่นแหละไอ้ความสงสารตัวเองไอ้ความรู้สึกกระสับกระส่ายนะมันจะเป็นศัตรูมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างยิ่งเลยแต่ความสามารถในการยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นตามจริงว่ามันยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้แล้วจะเอาอะไร มาสังเกตความไม่เที่ยงที่มันกำลังปรากฏเด่นอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีทางแต่ถ้าหากเราเริ่มต้นขึ้นมามีอาการยอมรับได้ยอมรับสภาพที่มันกำลังกระสับกระสายกำลังว้าวุ่นกำลังสงสารตัวเองอยู่นั่นแหละเกิดความรู้สึกว่าเออมันดิ้นดิ้นดิ้นอยู่เหมือนเด็กกำลังพยายามยื้อของเล่นอย่าเรียกร้องเอาอะไรอย่างหนึ่งให้ได้ เอาอะไรจริงๆก็ไม่รู้พอเห็นหนาการอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดความสะเทือนขึ้นม า, าเออไอภาวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภาวะหลอกเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งไปไม่เห็นมีอะไรแล้วมันก็จะได้มีแก่ใจสังเกตนะะพระพุทธเจ้าให้เครื่องสังเกตมาง่ายๆเลย ที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความสงสารตัวเองมันมีความกระสับกระส่ายอยู่เราก็ดูภาวะไปว่าการหายใจครั้งต่อไปไอ้ภาวะสงสารตัวเองหรือภาวะกระสับกระส่ายมันยังอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังอยู่ก็ยอมรับว่ามันยังอยู่แล้วเปรียบเทียบไปเรื่อยอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องนับเป็นเครื่องแบ่ง าภาวะที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยว่ามันมีความเข้มข้นแค่ไหนเนี่ยนะมันแปรปรนไปแล้วหรื อ, อยังเราไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจเป็นหลักนะเรารู้สึกถึงลมหายใจเป็นตองเหมือนกับให้ลมหายใจมันเป็นแบ็กกราวแต่อาการที่มันสงสารตัวเองอาการที่มันกระสรับกระส่ายเนี่ยมันเป็นโปรกราวไม่งั้นเราจะ รู้สึกเหมือนกันว่าเออนี่กำลังดูความกระสรับกระสายแต่จริงๆไม่ได้ดูอะไปช่วยมันปรุงแต่งดังหักหลายคนนะพอเกิดความกระสรับกระสายเกิดความพุ้งซ่าขึ้นมาไปท่องอยู่แต่คําว่าเออรู้ความฟุง้งซ่านสักแต่รู้ไปท่องอยู่อย่างนี้ท่องท่องถูกไแต่ว่าอาการทางใจมันไม่ถูกโดยเราไปให้ความร่วมมือกับมันโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะความสงสารตัวเองความกระสับกระส่ายเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามอย่างยิ่งกับอาการที่เราจะไปยอมรับสภาพตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเอาลมหายใจเข้ามาช่วยเป็นแบ็ k กราวด์นะดูว่าครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งมันมีระดับความกระสับกระส่ายที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง ไม่สนใจว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะสนใจแต่ว่ามันเท่าเดิมหรือเปล่าท่องไวเลยว่าถ้าหากเราสามารถเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะครอบงำเราไม่ได้มันจะทําให้เราเกิดอุปาทานว่ามันเป็นเราไม่ได้ถ้าหากว่าความฟุง้งซ่านความกระสับกระสายความสงสารตัวเองมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ในความสงสารตัวเองเนี่ยมันจะไม่สามารถ ทำให้เราเชื่อว่ามันคือตัวเราตรองกันข้ามมันจะแสดงตัวเองมันโชว์ตัวเองชัดเลยว่าเนี่ยมันแค่อาการปรุงแต่งเป็นส่วนเกินไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันก็หายไปมันก็จางลงกลายเป็นความรู้สึกเป็นอิสระจากความสงสารตัวเองนี้หนุ่มก็ลองดูนะว่า คือภาวะนี้มันมันเกาะติดเรามาอยู่เรื่อยๆแหละมันไป เ, เริ่มต้นจากตรงไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าตอนนี้มันน้อยลงแล้วแหละมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะแต่มันก็ยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรารู้สึกว่าโลกมน้าเบือ่อ โลคเป็นสิ่งปีบคั้นโลกเป็นทุกโ ล, โลกเป็นอะไรที่นะมันไม่น่าอยู่เกิดความอึดอัดเกิดความทรมานใจขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตามหลักการนะในเวทนานน ป, ปัสนาพระพุทธเจ้าให้ดูทุกขเวทนาอันเกิดจากความอยากจะพ้นไปแต่พ้นไม่ได้นี้พอหลักการดูทุกขเวทนาเป็นยังไงดูว่ามันไม่เท่าเดิม พระพุทธเจ้าท่านสอนชัดเจนนะบอกว่าถ้าอยากจะดูทุกขเวทนาอยากจะดูสุขเวทนาเนี่ยให้มนสิการอานาปานสติให้ดีก็คือให้ดูเนะี่ยว่าแต่ละลมหายใจนะมันมีทุกขเวทนาอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเราได้ข้อสังเกตถ้าเราได้จุดสังเกตอย่างนี้มันมีความชัดเจนเลยว่าหลักการปฏิบัติที่เหลือ มันจะเป็นไปเพื่อเห็นทุกขเวทนาแสดงความไม่เที่ยงแน่ๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดทุกขเวทนาแล้วเนี่ยมันมีอาการดิ้นรนมันมันเหมือนกับเราจะบอกตัวเองว่าเออให้ดูมันไปแต่อีกใจหนึ่ง ม, มันไม่อยากดูตัวนั้นน่ยมันคืออาการที่ว่าเราถูกครอบงําเราถูกครองอยู่ด้วยความกระสับกระส่ายนะแล้วก็ คือนิสัยสงสารตัวเองแบบเดิมๆเนี่ยมันกลับเข้ามามีส่วนร่วมถึงแม้ว่ามันจะเบาบางลงไปแล้วแต่เวลาที่มันมีความทุกข์แก่กล้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยไออาการสงสารตัวเองเนี่ยนะมันจะเข้ามาให้ความร่วมมือมาสมทบทันทีไม่ว่าใครแหละไม่ว่าจะชายจะหญิงเนี่ยนะโรคสงสารตัวเองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้เสมอเวลาที่ทุกขเวทนามันมีกําลังแก่กล้านั้นไอ เครื่องมือที่เราจะใช้รบกับมันก็คืออานาปานสตินั่นเองนะพี่ครับแล้วกรณีที่เหมือนกับเราต้องทํางานอยู่ในแบบพื้นพื้นที่หรือที่มันมีแบบพลังที่มันแบบเหมือนกับว่าพลังโมหะเยอะๆหรือว่ามีแบบสิ่งที่แบบหรือบางทีก็อยู่ในที่แบบคนที่ต้องมียบบพลังที่มันแปลกๆหรือพลังที่มันมืดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพวกนี้เราจะเหมือนกับเราจะมีวิธีช่วยตัวเองหรือแบาทำยังไงให้เราสามารถดลภาวนาได้ครับอ่าเวลาที่เห็นความมืดภายนอกหรือว่า ความสะเทือนที่มันเป็นลบนะที่มันแผ่ออกมาจากภายนอกมากดดันเราเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของอการเจริญสติเนี่ยเราได้เครื่องฝึกให้จิตเนี่ยมีความเข้มแข็งให้สติเนี่ยมันมีความแก่กล้ามันยากเหมือนกับอยู่ๆเนี่ยเรายัง ถ้าถ้าหากว่าพูดถึงนะคนยังไม่มีกำลังเลยเนี่ยให้ไปฝึกกํานัหมวยปล้าที่มันมีกำลังมากกว่าเนี่ยอย่างนี้ยากแต่ของเราก็ฝึกมาหลายปีก็ถือว่ า, อาบอกตัวเองว่าไม่ใช่กี้ไก่เหมือนกันนะไม่ใช่ไก่กาเรากา็ได้บ่มเพาะได้มีกล้ามเนื้อได้มีพลังของนักสู้มาพอสมควรแล้วต้องบอกตัวเองต้องให้กำลังใจตัวเองนิดนึง แล้วถ้าหากว่าคู่ต่อสู้มันจะมีกำลังมากกว่าเนี่ยก็หมายความว่าเราได้โอกาสที่จะฝึกเราได้มีจุดนะที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้ตัวเองโดยการมีใจคิดสู้คำว่าสู้ของนักเจริญสติก็คือไม่ถอยไปจากไออารมณ์ที่มันเข้ามากระทำย่ำยี อารมณ์ลบหรือว่าพลังลบพลังมืดพลังโมหะที่มันพยายามจะเข้ามากดดันทำให้เราพลอยมีโมหะตามไปด้วยเราเห็นเป็นคู่ต่อสู้แล้วก็เห็นเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีกำลังแข็งกล้าแข็งมากขึ้นในตรงนี้มันก็จะเกิดกำลังใจ แล้วก็เกิดความมีแก่ใจว่าเออเวลาที่โดนกดดันมาเนี่ยนะเราเห็นความกดดันหรือเปล่าหรือว่ายอมรับเปิดประตูให้ความกดดันเนี่ยมันเข้ามากระทําตรงๆสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองส่วนใหญ่นะเวลาที่ไปเจอโลภโทสะโมหะแรงๆของคนอื่นเข้ามากระแทกมากระทบใจเรามันจะเปิดประตูรับ มันจะเหมือนกับรู้สึกว่าหนีไปไหนไม่ได้นี้ถ้าหากว่าเรามีใจแบบนักสู้คือบอกว่าโอเคเข้ามาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหนีไปไหนละโจทย์คือว่าเราจะตั้งป้อมสู้ยังไงคนส่วนใหญ่ตั้งป้อมสู้โดยอาการเนี่ เ, นเกรงกำลังภายใน มันฮเหมือนกับคนในกหนังจีนกำลังภายในเนี่ยนะที่เบ่งกล้ามเนื้อออกมาให้เขาทุกตีซึ่งอาการแบบนั้นมันไม่ใช่การตู้แบบนักเจริญสติที่ฉลาด1ิดวินาทีแรกถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิน1ิวินาทีเกินนาทีขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่ฉลาดแล้ว ยกตัวอย่างเช่นเวลามีใครมาพูดคือทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้มีเรื่องด่วนเรื่องร้ายแต่ว่าคำพูดของเขามันร้อนมันกระแทกแล้วทำให้เราเกิดโทสะนะมันมีอาการน้ำเสียงแข็งแข็งห้วนห้ว น, ห, วนหรือว่าจะมาสั่งเหมือนกับเจ้านายจิกหัวใช้ข่าทาสอะไรแบบนี้นนะนะ นาทีแรกไอ้สิวินาทีแรกเนี่ยมันไม่มีใครไม่โกรธหรอกมันก็ต้องเกิดความรู้สึกที่มันรุนแรงสวนกลับไปเป็นปฏิกิริยาอันนั้นเป็นธรรมดาถ้าเราอดกลั้นไว้ไม่มีอาการสะบัดไม่มีอาการพึดฟัดอันนั้นเรียกว่าโอเคแต่ถ้าเกิน10วินาทีแล้วเรายังมีอาการพึดฟัดพืดฟัดอยู่พืดฮัดอยู่ข้างไหนอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดแล้ว สีวินาทีแรกถ้ามันฮึดฮัดฟืดฟัดโอเคเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถัดจากนั้นไปถ้าเราจเจริญสติมาจริงมันต้องเริ่มมีอาการสังเกตเข้ามาข้างในแล้วเออนี่ลักษณะฟึดฟัดเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันลามมาถึงร่างกายหรือว่ามีอาการมืดทั่วทั้งใบหน้าหรือเปล่ามีอาการร้อนทั่วทั้งตัวหรือเปล่า แล้วในอาการรู้สึกถึงภาวะทางกายเรามีอาการสังเกตอยู่ด้วยไหมว่าอาการดังกล่าวเนี่ยมันลดระดับลงหรือว่าเพิ่มระดับขึ้นมาหรือว่าเท่าเดิมถ้าหากว่าสังเกตอยู่ถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่เท่าเดิมนี่เรียกว่าฉลาดนี่เรียกว่าแม่นในหลักการนี่เรียกว่าสติของเราเนี่ยอย่างน้อยนะมันเจริญขึ้น ทุกครั้งที่โกรธนะดูเข้ามาในความไม่เท่าเดิมนั่นคือความก้าวหน้าขึ้นแล้วนั่นคือความเจริญงอก ง, งามขึ้นแล้วของสติแต่ถ้าหากว่ามีอาการกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วเราดูอยู่นั่นแหละเฝ้าดูอยู่นั่นแหละจดจ้องอยู่นั่นแหละว่าเออรู้นะว่าโกรธรู้นะว่าโกรธไอ้นี่เนี่ยนะมันไม่ฉลาดแล้วมันจะไม่เห็นอะไรเลย โดยอาการที่ถูกต้องของจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องสักแต่รู้แหละแต่ว่าโดยอาการปฏิบัติในในทางการปฏิบัติจริงของคนทั่วไปเนี่ยมันมีแต่อาการท่องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองม่รู้รู้ไปเฉยๆนะแต่อาการของจิตมันไม่ใช่รู้มันมีแต่อาการท่องจำเอามันมีแต่อาการบริกรรมเอานั้นดูตัวนี้แหละไม่ว่ามันจะมี พลังกระทบกระแทกเข้ามากี่ครั้งกี่ขนก็นแล้วแต่ถ้าหากเรารู้ว่าเออจิตของเรามันสะเทือนตามไปด้วยอย่างไรนะเขามืดมาเรามืดตามแน่นอนมันยังไม่แข็งแกร่งพอมันยังไม่ได้มีจิตที่กว้างใหญ่มากพอที่จะมีอิทธิพลกับจิตภายนอกจิตภายนอกยังมีอิทธิพลกับจิตของเรามากกว่าเราก็เห็นไป ด้วยอาการยอมรับตามจริงด้วยอาการสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาทางใจของเราเนี่ยนะมันเป็นลบตามเขา้วอาการลบนั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตรงนี้แหละที่มันจะแก้ครอบจักรวาลแล้วอฏิบัติช่วงนี้คือเหมือนกับเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้นั่งสมาธิครับไม่ลาวว่าเหมือ น, นว่าเดินจงกรมไปยีโอเคใช่หมครับก็โอเค แต่ว่าเราดูด้วยแล้วกันว่าเดินแต่ละครั้งแต่ละรอบเนี่ยมันเดินด้วยอาการซึมหรือเดินด้วยอาการที่มีอาการตื่นรู้นะถ้ามันมีอาการที่จิตเหมือนกับซึมซึมเหมือนกับมีอาการเสื่อมแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเออเนี่ยรอบนี้มันมีอาการเสื่อมไปแล้วมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆ ต้องเดินเดียวขึ้นนิดหนึ่งจำไว้เลยนะว่าถ้าเดินจงกรมแบบซึมซึมเสื่องเสื่องแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะซึมไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็นึกว่าได้เดินจงกรมแต่จริงๆไม่ใช่เข้าไปอยู่ในอาการเสื่องซึมอยู่พักหนึ่งไม่ได้เรียกว่าเดินจงกรมการเดินจงกรมที่ถูกต้องก็คือว่าสามารถเข็นเข้ามา นะทั้งภาวะทางกายว่ามันกําลังเป็นอย่างไรอยู่มันมีท่าเดินอย่างไรอยู่มันกระทบอยู่หรือว่าไม่กระทบนะแล้วก็เห็นว่าอาการทางใจเนี่ยมันเสื่องซึมขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเห็นอาการเสื่องซึมขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพระที่ฉลาดท่านจะเดินเร็วขึ้นเพื่อให้มันเกิดความตื่นตัวถ้ามันตื่นตัวมากเกินไปจนกลายเป็นความความผุ้งสัน้นก็ลดระดับความเร็วลงมา ให้มันรู้อยู่พอดีพอดีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการเดินจงกรมมีความเท่าทันในสภาวะที่มันกําลังปรากฏอยู่ตามจริงแล้วก็เห็นว่าไอ้ภาวะทั้งหลายในระหว่างเดินจงกรมเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่อันนี้มันบางทีมันซึมซึมแล้วซึมยาวนะแล้วก็ไปแปะไป้ายไว้ว่าเราเดินจงกรม อารมณ์มันเท่าเดิมเลยอะเวลาที่เดินยงกลมแบบตุมๆไปกัตอนออกจากกันเดินยงกลมมาบางทีมันจะนิ่งๆมันจะเหมือนกับเงียบๆอยู่แต่ดูว่าในอาการเงียบๆนั่นแหะจิตมันไม่พร้อมที่จะรู้เห็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสภาวะภายในมันเป็นอาการเหมือนกับเราแค่พอใจว่าในปฏิบัติ อยู่ช่วงหนึ่งแล้วนะเอาละขอบคุณที่ตุนมากครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาพอดีรู้จักกับคุณพ่อยอดที่โรงเรียนรุ่งอรุณนะครับก็จริงๆแล้วก็รู้สึกศรัทธาในความเสียสละของเรียกว่าพี่ละกันเนาะพี่อะไรนะพี่พี่ตุนตุนพี่ตุนเนาะพี่ตุน <laughs> จะรู้จักแต่ชื่อชื่อจริงะครับรู้จัก พี่ตุลเพราะว่าอขอบคุณคุณพ่อยอดที่ได้นำหนังสือดีๆ c ีดี CD ธรรมะ C-D ดีของของพี่ตุลเนี่ยไปวางไว้ที่โรงเรียนลุงกระลุนก็ได้หยิบมาฟังพอฟังเสร็จก็รู้สึกว่ารู้สึกดีครับได้ข้อคิดได้ได้ข้อคิ ด, ไ ด, ไ, ด, คดได้ความคิดได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นได้รู้จักปล่อยวางมากขึ้นแต่จริงๆแล้ว สุดท้ายมันก็ยังมีเนาะพูดถึงว่าโดยปกติคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอาจจะเฟลลี่หมายความว่าเหมือนมีรู้สึกว่าอาจจะถ้าเกิดสมมุติว่าใครทำดีหรือเราก็ให้สิ่งดีๆกับคนที่อยู่รอบๆข้างในการทำงานเนี่ยก็จะทำด้วยด้วยแบบว่าแฮปปี้มีทั้งให้เขารู้จักให้อภยัย แต่ก็มีอีกบางกรณีครับอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคทำไม่ดีกับเราไม่ให้เกียรติเราครั้งแรกเราก็เหมือนแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปหรือถ้าเกิดมีการขอโทษปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรละครั้งที่สองมีอีกเริ่มสะสมเริ่มสะสมกิเลสยิงครั้งที่สามนี่คือเราก็เหมือนแบบมีการตอบโต้มากขึ้น เราก็คือก็เป็นในลักษณะการตอบโต้แต่ในการตอบโต้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยลึ ก, ลกๆไกลๆมองไปไกลๆเนี่ยคืออนาคตเราก็ต้องขอโทษเขาแต่ในแต่ในณับปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะได้เรียนรู้ไปกับเขาในการที่เขาทำมาไม่ดีเราก็เหมือนแบบว่ามันก็มันก็มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเนาะแต่แ ต, แต่แต่เราก็อยากจะแบบว่าหรืออาจจะรู้สึกว่า เ, เหมือนกรรมตามทันหรือเปล่าแตจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็จิตใจเราก็จะวาวุ่นจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านจิตใจตกต่ําลงก็เลยอยากจะให้ให้พี่ช่วยช่วยดูสภาวะแล้วก็ช่วยแนะนําในสิ่งที่คือถ้าพี่ตุลมองมองโดยโดยจิตของเรานะมันเป็นจิตที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ มีความหวังดีมีมุมมองที่ดีนะลักษณะของคนมองโลกในแบบที่จะให้มันเป็นไปในทางที่สงบสันติหรือว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงลงตัวดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นโลกไม่ตามใจเร า, เาตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเฝ้ารอหรือว่าคาดหวัง ว่าโลกมันจะดีขึ้นหรือว่าเราจะได้ไปอยู่ในกลุ่มของสังคมที่มันมีความเข้า อ, อกเข้าใจมันมีอะไรที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมหรือว่าไม่ออกนอกลู่นอกทางนีนี้ดูอาการคาดหวังส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันผิดหวังอาการผิดหวังของเรามันจะมีสภาพเหมือนกับหวยหา โอยหาความถูกต้องนึกออกใช่ไหมสภาพจิตที่มันเสพไปเสพมาสภาพจิตที่มันบางครั้งมันคร่ําครวนอยู่ข้างในว่าเออเราให้อะไรไปแบบนี้ทําไมมันไม่ได้รับผลตอบแทนมาแบบเดียวกันให้อะไรดีๆไปแต่บางทีมันไม่ใช่เวลาสวนกลับมามันกลายเป็นเหมือนกับพอเราดีว่าเขาได้ทีอ่ขึ้นมาคมขึ้นมาอ่า เอาประโยชน์อะไรจากเราแบบนั้นลักษณะของใจที่มีความยกเยกด้วยความผิดหวังตรงนั้นเวลาที่เราจะ เ, าเริ่มต้นเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยนะก็คือให้เห็นว่าเป็นจิตที่มีความเศร้าใจพูดง่ายๆว่ารู้สึกสลดใจรู้สึกเศร้าใจ กาภาวะของโลกเราเห็นความเศร้าใจนั้นเนี่ยว่ามันมีความยืดเยื้อคือเกิดเรื่องขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปคิดเราจะไปรู้สึกย่ําแย่อยู่อีกนานลักษณะของใจที่มันเศร้าหมองลักษณะของใจที่มันย่ําแย่อยู่ยืดเยื้อเนี่ยนะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีแต่ความคิดเป็นตัวหล่อเลี้ยงว่าเออเนี่ย พยายามปลอบตัวเองพยายามสอนตัวเองไปซึ่งบางครั้งมันก็ได้ได้ผลแต่บางครั้งมันไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่าเราเอาไอ้ความเศร้าหมองตรงนั้นมาใช้เจริญสติมันจะได้ผลทุกครั้งได้ผลเป็นความเจริญขึ้นของสติได้ผลเป็นความสามารถในการยอมรับตามจริงว่าโลกให้ความเศร้าหมองตรงนี้มา ไับปฏิเสธไม่ได้ลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะนานมาแค่ไหนมันไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้มันตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเราคิดอย่างนี้มนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคาดหวังรอคอยอย่างนี้นี้ถ้าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนสอนแล้วว่าแค่คำพูดปลอบตัวเองไม่พอมันไม่ได้ได้อะไรเต็มที่ เต็มเต็มหน่วยแต่ถ้าหากว่าเรามาสังเกตว่าเนี่ยจิตที่มันมีความเศร้าหมองแบบนี้ถ้าหากว่าถูกรู้ถูกยอมรับตามจริงว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นชั่วคราวมันจะเกิดความเบิกบานขึ้นมาเหมือนอย่างตอนนี้มันมีปิติมันรู้สึกว่าได้เห็นอะไรอีกอย่างหนึง่งเห็นตัวภาวะของความเศร้าหมองที่มันมี อยู่แค่นั้นเองมันเล่นงานเราได้แค่นั้นเองเล่นงานเราได้ในแบบที่จะทำให้จิตของเราโยกไปเยกมาตั้งอยู่นิ่งไม่ได้แต่เมื่อเราสามารถเห็นอาการเศ้าหมองตรงนั้นได้แค่นิดเดียวนะคือคือขอแค่นิดเดียวที่เราเห็นในอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นในเรามันจะเกิดปิติขึ้นมาแบบนี้มันจะรู้สึกว่าไอ้ภาวะเศร้าหมองตรงนั้นไม่เที่ยง ถูกรู้เมื่อไหร่มันแสดงความไม่เที่ยงขึ้นมาทันดีมันจะเหมือนไม่ใช่ตัวเราแล้วเหมือนตัวอะไรภาวะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอันนี้แหละที่เรียกว่าเจริญสติมันเจริญขึ้นตัวของสติที่เจริญขึ้นเนี่ยเมื่อมันมามาทำให้เจริญขึ้นต่อเนื่องทุกวันมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพุทธิปัญญา มันจะสามารถสลัดอุปาทานครอบงำจิตใจของเราว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวของราวตนของเรามันจะสามารถที่จะละลายความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีอัตตาอะไรอยู่อย่างหนึ่งมันมีสิ่งที่น่าคาดหวังอยู่ในโลกคือมันจะกลายเป็นเห็นว่าเอ้อะไรที่ไปคาดหวังไว้กับโลกเนี่ยมันศูญเปล่าทั้งสิ้น แต่ถ้ามายอมรับตามจริงว่าเห็นความจริงภายในว่ามันแปรปรวนเนี่ยอันนี้สมหวังชัวทุกวันถ้าได้ปีติอันเกิดจากการเห็นความจริงมีความสามารถยอมรับความจริงแบบนี้ไปเรื่อยจิตมันจะเป็นอิสระจิตมันจะหลุดพ้นจากต้นเหตุของความทุกข์น่ความคาดหวังนี่แหละที่มันเล่นงานเรามาตลอดชีวิตนะทุกคนเลย ไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวความคาดหวังเนี่ยคนมักจะบอกว่าเอ้ยถ้าไม่คาดหวังแล้วจะให้ทําอะไรอ่ะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็ค า, าดหวังก็ใช่แต่ว่าคาดหวังในสิ่งที่ควรคาดหวังแต่เห็นไหมเนี่ยอย่างากรณีที่คุณก็ ย, ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นเป็นการคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จมอยู่ตรงนั้นจมอยู่กับความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้มาทั้งชีวิตอันนี้ทุกคนนะ มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราคาดหวังอย่างฝูนเปล่าแล้วก็ไม่คิดถอนด้วยเพราะว่าเราไปเป็นพวกเดียวกับความคาดหวังไปแล้วไปนึกว่าวันหนึ่งความคาดหวังเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ความจริงก็คือทุกความคาดหวังมันเป็นต้นเหตุของความผิดหวัง99เรื่องจากร้อยเรื่อง มันเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดียวนั้นทั้งในขณะที่กำลังคาดหวังแล้วก็ทั้งในขณะที่กำลังผิดหวังอยู่เหตุการณ์มันแบรไตออกมาว่าไม่ใช่อย่างไงยังไงมันก็ไม่ตามใจเราโลกไม่ตามใจเราแต่พอมาเห็นในความคาดหวังเนี่ยนะว่ามีอาการยืดเยื้อมีอาการที่มันปรุงแต่งจิตไปให้เกิดความเศร้าหมอง เรเห็นว่าเออไออาการปรุงแต่งแบบนั้นไอความเศร้าหมองแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะอะไรเกิดขึ้นแป๊บหนึง่งหายใจครั้งนี้มันเศร้าหมองหายใจอีกครั้งหนึง่งเอเอไอความเศร้าหมองมันแปรตัวไปแล้วมันแปรปลนไปแล้ววันนี้มันก็เกิดปิติเกิดความดีใจว่าเราได้เห็นได้เห็นความจริงไม่ใช่ไปจดจ่อรออยู่กับอะไรที่มันไม่มีทางเป็นจริงมันเหมือนหายโง่นะ่ะ ตอนที่เรารู้สึกว่าความคาดหวังเนี่ยมันเป็นของศูนเปล่าบางคนเนี่ยจริญสติมาไม่เท่าไหร่นะแต่ไปดูถูกจุดนะ่นะว่าเอ้ยไอ้ที่มันคาดหวังมาทั้งชีวิตเนี่ยบางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็คาดหวังว่าเอ้ยทำยังไงมันถึงชีวิตมันจะหลุดพ้นจากไอ้คนคนนี้สักที บางคนก็คาดหวังว่าเออทำทำยังไงจะได้งานที่ดีกว่านี้มีคนมาเห็นค่ามีคนมาเห็นความขยันของตัวเองนะเป็นความคาดหวังที่รอแล้วรอแล้วมันก็ไม่มาจนกระทั่งวันหนึ่งเจริญสติแล้วเห็นว่าไอ้ความคาดหวังนี่แหละที่ทําให้มีความทุกข์มากกว่าบุคคลที่เขามากระทำกับเราหรือว่ามากกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกเมื่อเช้ ว, วันแล้วเราบอกว่าเนี่ย มันเจ็บปวดเหลือเกินความคาดหวังนี้มันทําร้ายเรายิ่งกว่านั้นพอเกิดสติเห็นความจริงนี้ขึ้นมาโรดเลยเออมันมีความรู้สึกว่าทุกข์หายไปครึ่งหนึ่งเพราะโรดจากความคาดหวังได้มันยังมีความทุกข์อยู่นะจากเหตุการณ์จากบุคคลไม่ใช่ว่าเราสามารถเสกหรือว่าปัดเป่าให้บุคคลหรือเหตุการณ์เนี่ยมันหายไปจากชีวิต บางคนมาด้วยความคาดหวังบิดปิดนะมาเจริญสติด้วยความคาดหวังว่าการเจริญสติเนี่ยจะทําให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตเหตุการณ์และบุคคลได้ร้ายเนี่ยมันจะละลายหายไปได้ขนาดในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันนะท่านยังถูกราวีเลยเป็นพระอรหันแล้วนะมีบารมีมากกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าพระพุทธเจ้าท่านก็นยัง ตรัสแสดงถึงกรรมเก่าที่ยังมาเล่นงานท่านอยู่พโมกขลานะนะถูกทุบตีจนตายเพราะกรรมเก่าที่เคยทุบตีพ่อแม่น ะ, ะถ้ามาดูพวกเราจเจริญสติกัน น, นิดนิดหน่อยๆแลอจะไปคาดหวังว่าบุคคลและเหตุการณ์อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความคาดหวังที่ผิดไม่สมน้ำสมเนื้อ อันนัะแต่พอมาเห็นความคาดหวังแล้ะเ อ, อินนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์ศู์เปล่าสติเจริญขึ้นแค่นี้เนี่ยมันมีความสุขแล้วชีวิตมันดีขึ้นทันใดแล้วนะตัวเราเองทำเป็นเหมือนผู้พากษาเนาะคนคนอื่นเขาเหมือนแบบว่าให้เขาได้เรียนรู้ <c oughs> แบบว่าที่เราอาจจะไม่ชอบตรงเนี้ยมันเหมือนแบบว่าก็เหมือนแต่สุดท้ายจริงแล้ก็คิดอยู่เหมือนกันเนาะใน อนาคตอย่างที่บอกก็คืออาจจะขอโทษเขาแล้วก็แต่คืออาจจะรอจังหวะเวลาเหตุการณ์เหตุการณ์ภายนอกบางทีมันไม่สําคัญเท่ากับเหตุการณ์ภายในถ้าหากว่าเรามีสติที่งอกงามขึ้นแล้วเห็นอารมณ์ภายในได้เนี่ยคือรายละเอียดภายนอกจะเป็นยังไงมันไม่สําคัญแล้วแต่เราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีแน่นอนเพราะคนเราพอสบายใจเนี่ยมันมันพร้อมที่จะทําอะไรดีๆแบบางทีบางวันอย่างเงี้ย วันนั้นที่โดนปุ๊บเนี่ยจะคิดทั้งวันเลยพอลุ่งขึ้นอีกวันอยากจะปล่อยจิตเราจะสบายจิตเราจะเป็นปิติ<ม>แต่พ อ, อกระทบอีกสะสมอกีกรอวันที่จะระเบิดถามอีกนิดนึงครับอย่างสมมติว่าอย่างนับปัจจุบันเนี่ย<ม>ก็มีสติระดับหนึ่งนะครับถ้าว่างปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบว่า ก, ก็เห็นตัวเราเองมากขึ้นเห็นจิตเราเองมากขึ้นอยากจะให้ช่วยแนะนำอีกนิดนึงว่าอยากจะเช่นปฏิบัต เป็นรูปแบบเพิ่มเติมหรือบางทีทงยงอยางเมเนี่ยนะพ อ, อ, อนั่งสมาธิเนี่ยบางบางทีมันจะยังรู้สึกง่วงง อ, งอยู่มันมันจะเหมือนกับข้างในเนี่ ย, ยมันตั้งตั้งรู้อยู่ไม่ไดท้ทั้งทั้งที่ก็พยายามแล้วเนี่ยนะอย่าไปพยายามมากให้ยอมรับตามจริงก่อนภาวะอะไรกําลังปรากฏเด่นให้ดูตัวนั้นก่อนนะอย่างภาวะงงง่ว ง, ง, ง, งเนี่ยอย่างภาวะที่รู้สึกเหมือนกับตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยภายในเนี่ยนะ ก็ดูไปว่าอันนั้นเป็นสภาวะชั่วคราวของจิตอย่าไปต่อสู้กับมันอย่าไปฝืนมันแต่ให้เห็นว่ามันกําลังแสดงอะไรให้เราดูถ้ามันมีความรู้สึกงงเงีงงเงีเหมือนกับจะงงๆเหมือนกับจะหมดกําลังเหมือนกับจะดึงให้เกิดความรู้สึกท้อนะก็เห็นว่าตัวนั้นเป็นสภาวะของความหดหู่ซึมเศร้าเห็นเป็นภาวะของอาการที่มันงงเงีงงเงี แต่เสร็จแล้วพอเราได้เห็นอย่างยอมรับนะว่ามันมีอาการงงเง้งงเงี้อยู่นะมันก็จะรู้สึกว่าอาการงงเงี้ยงนั้นแสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้เหมือนกันคือบางทีมันง้เงี้ยงมากบางทีมันกดดันให้เราเซมากบางทีมันงงเงี้น้อยลงกดดันให้เราเซน้อยลงเนี่ยพอเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็สามารถที่จะกลับเข้ามาดูลมหายใจต่อได้นะลองถ้าถ้าจำไม่ได้ลองไปฟัง ใน s o u c l o u d c o m s a n g t i n นะมันมันจะมีคำไกด์เหมือนกับที่พี่ไกด์ช่วงแรกนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับผมก็ผ ม, ผมอยากจะสอบถามมาครับว่าผมสามารถวางจิตในการโทนาได้ถูกต้องหรือเปล่าครับที่ผ่านมาใช่ไหมก็ตั้งใจปฏิบัติประมาณ1ปีเนี่ยครั บ, บของน้องส่วนใหญ่มันจะมีอาการที่ว่าพอ ม, มีอะไรมากระทบเนี่ย เหมือนเรากดจิตนิดนิดแล้วดูเข้ามาดูเข้ามาว่าอารมณ์ของเรากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนใหญ่น้องจะเห็นมันเหมือนว่างๆไม่ได้มีอาการอะไรออกไปมากมายนั่นเพราะว่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการกดอยู่นิดนิดนะตรงที่น้องรู้สึกว่าเราตั้งใจดูอะตั้งใจดูเข้ามาข้างในเห็นใช่ไหคือทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบเนี่ยเราเหมือนกับอะหยุดนิดนึงแล้วก็ มีอาการดูเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นตรงที่เราบอกตัวเองว่าเออเราจะหยุดดูเนะี่ยตรงนั้นมันมีอาการปรุงแต่งใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคือมีอาการเหมือนกับเพิกเฉยกับสิ่งกระทบเรียบร้อยแล้วเข้าใจที่พี่พูดปะเดินจงกรมถูกไหมครับผมในการเดินจงกรมตอนเราเริ่มจงกรมขึ้นมามันเหมือนเรากําหนดอาการย่างคือนึกถึงอาการย่างพอ ย่างไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเริ่มเหมือนกับเข้ามาอยู่กับใจที่มันเบาๆนึกออกปอะเนี่ยไออาการเบาๆตรงนั้นเนี่ยเราเหมือนเลี้ยงไว้เหมือนเลี้ยงไว้เฉยๆเพราะเราไปเข้าใจว่าเดินจงกลมเนี่ยมันควรจะไม่พุ่งสัน้นมันควรจะ อย่างน้อยมีสติมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ถามว่าพอเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาเนี่ยกลับไปกลับมาเราได้อะไรมันเหมือนกับพอไอความว่างความเบาวันนั้นมันหายไปแล้วกลายเป็นความฟุ้งซ่านน อ, อนๆเนี่ยเราไม่รู้ตัวละเพราะจุดสังเกตมันหายไปเริ่มต้นขึ้นมาพอมันมีความรู้สึกเบาขึ้นมาเนี่ย เรารู้สึกว่าทำสำเร็จละมันไปสร้างความเคยชินไหจากลำดับแรกขึ้นมาย่างกาหนดอาการย่างย่างเท้ารู้เท้าอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มาจับอารมณ์เบาเพอจับอารมณ์เบาปุ๊บเดินไปสักประมาณไม่เกิน5นาทีมันกลายเป็นความพุ้งซ่านนอนๆแล้วมันก็เหมือนกับยังเดินไปเดินมาบางทีมันก็กลับมาอยู่ที่เท้าย่าง บ า, บางทีมันก็กลับมาอยู่ที่อารมณ์เบาบ้างแต่มันขาดเครื่องสังเกตว่ามันเริ่มปุ้งอ่อนๆไปเมื่อไหร่อ่เนี่ยโอเคพอพอเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางยางกลมเนี่ยคราว น, นี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าจุดที่ควรทำให้มันเกิดขึ้นในขั้นขั้นต่อไปลำดับต่อไปคืออะไรมันต้องมี จุดสังเกตที่ชัดเจนกว่านี้ที่แน่นอนกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราเดินโยงกลมเพื่อที่จะสร้างอารมณ์เบาแล้วก็อยู่กับอารมณ์เบาโดยไม่รู้ตัวว่าผุ้งซ่านอ่อนๆไปเมื่อไหร่ทีนี้ถ้าเรากําหนดไว้ชัดเจนว่า ตั้งต้นขึ้นมาเราจะไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนอกจากอาการกระทบคือดูความรู้สึกที่เท้ามันกระทบกับพื้นเนี่ยแล้วเดินเดินให้เร็วขึ้นนิดนึงนะอนี้มันมันย่างช้าไปจับจังหวะให้ถูกว่ากระทบแปะแปะแปะแปะไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าไปดูอะไรอย่างอื่นเลยอย่าเพิ่งดูเข้ามาที่จิตจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเรารู้สึกถึง อาการเดินที่มันเป็นปกติไม่ใช่เดินช้าๆนะอาการเดินที่มันเป็นปกติแปะแปะแปะแ ป, แปไปเวลากลับกลับตัวกลับทีละครึ่งนะให้มันมีความรู้สึกว่าเรายังรู้สึกถึงเท้ากระทบอยู่ตลอดมันจะได้เป็นศูนย์กลางเป็นเครื่องวัดที่แน่นอนว่าเนี่ยเรามีสติอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเท้าหายไปจากจิต น้าหากว่าไอความรู้สึกถึงกระทบมันหายไปจากใจเนี่ยหมายความว่าขาดสติคือให้นับอย่างนี้ไปเคลียร์กันใหม่อย่างนี้จากนั้นพอเราแน่ใจว่าศูนย์กลางการรับรู้มันเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้ากระทบแปะแปๆแปะแปะไปมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่าข้างในของเราในจิตของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านบ้างมันสงบบ้าง มันจะค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเองนะไม่ใช่ดูขึ้นมานะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันตั้งใจดูขึ้นมาที่อารมณ์เบาพอพอย่างไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าเบามีความรู้สึกสงบแล้วเนี่ยเราตั้งใจดูขึ้นม า, าแล้วเป็นเบบาครัอะไรนะทํำไมมันจึงเบาแล้วครับความเคยชินที่เราสร้างมาคือมันจะมีท่าไม้ตายของความเบาคือว่าเราค่อยๆย่างย่างด้วยอาการที่มันอ่อนโยนไง และอาการอ่อนโยนนั้นไปปรุงแต่งจิตให้เกิดอารมณ์เบาขึ้นมาเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องของการปรุงแต่งจิตไปนึกว่าการย่างกันอะไรเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความสงบมันไม่ใช่นะจริงจริงมันเป็นแค่การที่เรารู้สึกถึงท่าทางที่มันอ่อนโยนและเราวางจิตไว้ตรงนั้นวางจิตไว้กับความ อ, อ่ อ, อนโยนมันก็เลยเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมา ความเบานั้นไม่ใช่สมาธิความเบานั้นเป็นแค่ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนต่างหากนี้ถ้าเรามาบอกตัวเองชัดเจนว่าเราจะเอาสัมผัสกระทบระหว่างเท้ากับพื้นเป็นเครื่องสังเกตเป็นที่ตั้งของสติภาษากระทบตรงนั้นเนี่ยมันไ ม, ม่มันไม่มีจินตนาการเข้าไปเป็นเป็นส่วนร่วมมันเป็นของจริง เป็นของกระทบอยู่แป๊แปะแปะหลอกไม่ได้ถ้าหากว่าของจริงตรงนั้นถูกรับรู้อยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าสติของเราถูกจูนให้ตรงกับความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นด้วยเข้าใจพลอยไหมแต่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันไปนึกถึงนึกถึงอารมณ์เบานึกถึงจิตที่มันเบานึกถึงจิตที่มันว่างแล้วมันมีความพอใจถ้าหากว่าเบาได้ แต่พอฟุง้งซานออน อ, อนๆขึ้นมาเราหาทางไปไม่เจอแล้วไปไม่ถูกแล้วเพราะว่าอารมณ์เบานั้นน่มันเป็นเบาแบบพร้อมที่จะฟุ้งอ่อนๆแต่ถ้าหากว่าเราตกลงกับตัวเองชัดเจนว่าเราจะรู้สัมผัสกระทบระห ว, ว่างเท้ากับพื้นอย่างเดียวเวลาที่เท้าหายไปจากใจเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าสติขาดละ นี้พอเดินไปสักพักหนึ่งน้องจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้ที่รู้เท้ากระทบแปะแป๊แปะแปะไปเนี่ยอ่ามันมันมันมีความรู้สึกชัดชัดแบบที่เท้าเนี่ยมันอ่อนปล่อยด้วยนะคือเท้าไม่เกร็งเดินเป็นจังหวะปกติอย่าไปย่ง่งพอเรารู้สึกถึงเท้ากระทบจับจับได้นะว่ามันมีอยู่แค่นั้นแปะแป ะ, แปะไป เราจะเราจะเห็นขึ้นมาเลยของน้องนะจะเห็นขึ้นมาเลยว่าบางทีความฟุ้งซ่านมันผุดขึ้นมาเป็นระลอกระลอกพอความฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาในขณะที่เรายังสามารถรู้เท้ากระทบเป็นศูนย์กลางได้ศูนย์กลางการรับรู้ได้เนี่ยมันจะเห็นด้วยว่าความฟุ้งซ่านนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันยิงขึ้นมาเป็นระลอกระลอกน้องหายไปเป็นระลอกระลอกคราวนี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าความฟุ้งซ่านไม่เที่ยง ที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงพอฟุ้งซ่านแล้วมันก็ละเรียดอยู่นะฮะมันมองไม่เห็นว่ามันแสดงความไม่เที่ยงตรงไหนมันเป็นอนัตตาตรงไหนมองไม่เห็นแต่พอมันมีความฟุ้งซ่านขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วหายผุดขึ้นมาแล้วหายอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเราก็ยังรับรู้ศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นเนพอรู้ไปเรื่อยๆบางครั้งเท้ามันจะเหมือนหายไป มันจะเหมือนตัวเบาส่วนใหญ่มันจะเดินต้องเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนกับเดินอยู่บนเมฆจับสังเกตไม่ถูกว่าเท้ากระทบเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราผูกสติไว้กับเท้ากระทบมาตลอดหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความตั้งมั่นคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในขอบเขตของกายใจเนี่ย มันปรากฏแล้วไม่ใช่ของหรอกปรากฏแล้วมันปรากฏจริงๆให้เรารู้สึกจริงๆว่าเนี่ยเกิดขึ้นที่วินาทีนี้แล้วพอมันหายไปเราก็จะรับรู้จริงๆเหมือนกันนั่นเพราะว่าเราผูกสติไว้กับของจริงตั้งแต่แรกแต่นี่มันไม่ใช่ของจริงตั้งแต่แรกเนี้ยพอเริ่มรอบที่สองรอบที่สามมันเริ่มเข้าสู่ภาวะนึกแล้วนะเข้าใจหลักการนะ ดีครับพี่ตูนมาครั้งแรกะครับผมก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วคือก่อนนันนี้ก็คือดูลมหายใจครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอรู้สึกเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองรู้ลมหายใจแต่พอฟังซีดีพี่ตูนแล้วมานั่งสังเกตจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเพ่งมาตลอดเลยเพราะว่าที่ดูนั่นมันเหมือนกับแต่เมื่อกี้ตอนที่ทำเนี่ยตอนที่พี่ไก่เนี่ยใช้ได้นะครับเราเรารู้สึกมัน<ด>เหมือ น, น, นเหมือนเห็นเป็นธรรมชาติ ว่าเออเนี่ยตอนมันเข้าตอนมันออกมันไม่ได้ตลอดเวลาแต่แต่ตอนที่เรารู้สึกว่าเออลมหายใจมันโปรเข้ามาเองแล้วมันโปรออกไปเองอย่างนั้นถูกแล้วนะครับนะตอนที่เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่มีหน้าตาของเรามีแต่อาการรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกตรงนั้นนะเนี่เป็นจุดเริ่มต้นของจิตผู้รู้คือมันรู้สึกอยู่ว่าเห็นอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นอะไรอย่างหนึ่งหายไปนะ เพียงแต่ว่าพอเรามาสังเกตความไม่เที่ยงอย่างเช่นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นอะไรมันยังไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าจิตมันจะมีความตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆในอาการรู้อยู่เห็นอยู่แล้วมันจะเห็นไปเองว่าเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นคือไม่ต้องไปปรุงแต่งมันมากนะพี่บอกไปเนี่ยไกด์ไปเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องสังเกตมันเป็นแค่แผนที่บอกทางส่วนใครจะเดินทางไปถึงเมื่อไร่อะไรเนี่ยมันบางทีมันต้องใช้เวลา ตอนตอนหลังก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าจริตเราไม่ถูกกับลมหายใจหรือเปล่าก็เลยก็เลยตอนหลังๆก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสวดอิติปิโสบ้างแล้วก็ดูขยับไม้ขยับมือดูการเคลื่อนไหวรู้สึกว่าพอพูดถึงอดีตนะครับพี่ตูนพอนึกถึงปฏิบตัติหรือฟังซีดีพี่ตูนหรือฟังซีดีพระอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนมันมีความอยากที่จะเป็นเหมือนอยากดีครับแล้วมันก็จะ มันจะสูรลมหายใจเข้าโดยที่เราก็เห็นว่าเออมันมันมันตั้งใจเหมือนกับมันมันอยากดีนะครับแล้วมันก็แน่นบางทีก็มือหัวไอ้ที่เป็นส่วนของความอยากดีที่เป็นส่วนของความรู้สึกเหมือนกับบางทีแข็งแข็งหรือว่าแน่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนของนิสัยทางใจของเราเดิมมันใจร้อนมันแบบเป็นประเภทรวยอ่ะขาลวยอ่ะนะคือมันจะออกแนวแบบ บโบหน่อยก็เป็นธรรมดาคนที่โทสาจริตคนที่จิตมันมีความแรงมันก็จะอย่างนี้แหละเวลาที่ไม่ได้อย่างใจหรือว่าเวลาที่มีอาการเร่งรัดโดยไม่รู้ตัวมันจะรู้สึกว่าเข้าไปพันแล้วก็แน่นแกะไม่ออกนะแทนที่จะไปเสียเวลาพยายามแกะเอาตรงนั้นมาเป็นตัวศึกษาดีกว่ามายอมรับ ว่าเนี่ยมันพันพนแน่นๆมันรู้สึกเกาะมันรู้สึกว่ายุ่งเหยิงของน้องเนี่ยพอทําอานาปานัมสติได้เนี่ยน้องจะรู้สึกเหมือนไงมันคลายมันว่างมันมันเป็นอีกตัวหนึ่งแต่พอมันเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนมียังมีอะไรพันพันยังมีอะไรแน่นๆยังมีอะไรยุ่งเหยิงเล่ากับว่าเป็นคนละคนเนี่ยแก่อนมันไม่รู้สึกอะไรมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเดิมอยู่นะ มันเป็นตัวของเราอยู่แต่พอมันได้มาริมรถไอ้ความว่างความสว่างอะไรจากอาณาปานส ต, ติมันจะรู้สึกกลับไปเป็นตัวเดิมยังไม่ชอบแล้วนี้แทนที่เราจะไปพยายามออกแรงแก้ใช้กำลังเอาไอ้ภาวะตรงนั้นเนี่ยมาฝึกเข็นความไม่เที่ยงดีกว่าเริ่มต้นขึ้นมาจากการยอมรับ าเนี่ยที่ลมหายใจนี้มันมีอาการยุ่งเหยิงอยู่มันมีความอึดอัดอยู่มันมีความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบภาวะของตัวเองอยู่ ล, ลมหายใจต่อมาของน้องเนี่ยมันต้องใช้หลายลมหายใจกว่าจะเริ่มเห็นว่ามันไม่เท่าเดิมเพราะมันเกาะ อ, อยู่แน่นนะเนื่องจากว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้กันบางทีมันก็ยังแรงๆอยู่ จำไว้ว่าจิตที่มีอาการปรุงแต่งอย่างแรงมันจะไม่ค่อยแสดงอาการอ่อนกําลังลงเร็วนักแต่ถ้าเราดูอยู่รู้อยู่เนียอย่างตอนนี้เห็นไหมคือมันต่างไปเรื่อยเมันมันพอที่พูดเหมือนกับจะกระตุกให้ไอความจำเก่าเก่ามันกลับมาเนียมันจะรู้สึกว่าบางทีมันก็แรงขึ้นมาเป็นบูบๆอย่างเงี้ย ่าเราเห็นว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันก็จะอ่อนมันจะรู้สึกอ่อนโยนลงมาแต่แป๊บนึงมันจะก่อตัวขึ้นมาใหม่ไอ้แบบนี้แหละที่เราจะใช้ฝึกจริงๆเพราะมันเป็นของจริงที่เกิดบ่อยที่สุดในระหว่างวันนะสำหรับเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดบ่อยที่มันเกิดแล้วโดดเด่นถ้าเราไม่ดูมันเท่ากับเราทิ้งโอกาสที่จะเจริญสติจริงๆ ทิ้งแม่น้ำหายไป เ, เปล่าเปาเลยแต่ถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นในเราบ่อยที่สุดแล้วเราเอามาดูนั่นแปลว่าเรามีโอกาสมีพื้นที่ที่จะเจริญสติมากกว่าคนอื่นๆที่จะไปพยายามรอเวลาเดินจงกรมรอเวลานั่งสมาธินี่พอทำทำไว้ในใจอย่างนี้นะมันจะเหมือนกับเราได้เวลาในการปฏิบัติในการเจริญสติมาทั้งชีวิตเลย ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องปลีวิเวกไปไหนเราศีลรักษาให้ได้ทุกข้อจะดีมากนะบางทีมันอยู่กับเพื่อ น, อนมันก็ยังเคยชินอยู่นะเออคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาแล้วมันบั่นทอนสติของเราได้เนี่ยมันจะพาเราไปหาตัวตนแบบเดิมไม่พัฒนาไปสู่ภาวะแบบใหม่ ที่มันจะสอดคล้องการาการเจริญสติหรือว่าสติที่มันจะเจริญขึ้นอะไรก็แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วนะว่าที่มันจะบรญฑรสติต่อให้ยอมต่อให้ต้องเสียเพื่อนก็ยอมเพราะว่าตอนนี้จิตมันมันเริ่มมีกําลังนะกาลังความสว่าง มันบ่มเพาะขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่เรายอมทิ้งได้คือไม่ใช่อยู่ๆไปประกาศเลิกคบแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องห่างด้วยเหตุที่ว่ามันไม่มีตัวเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีอะไรแบบเก่าๆเนี่ยนะเราก็ยอมๆไปเถอะคือยังคบกันอยู่มันไม่หายไปไหนหรอกพี่ก็เคยมีไอ้ประเภทที่เพื่อนแบบเดิาๆเียนะแล้วเริ่มมาสนใจศาสนาเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเขาเียนอย่างหนึ่งมันมันเราจะรู้สึกเลยนะความปรุงแต่งแบบเดิมๆของเราเนี่ยโอ้มันมันมันเหมือนอยู่คนละโลกแล้วเราไม่จำเป็นต้องรักษาโลกนั้นไว้รักษาเพื่อนแต่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในโลกนั้นคุยกับเพื่อนเก่าออกมาจากอีกโลกหนึ่งก็ได้เผื่อว่าเขาจะได้เดินตามมาด้วย เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เพื่อนได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรายัางจมอยู่ในโลกเดิมกับเขาแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เพราะเวลาที่เรือแตกเวลาที่ต่างคนต่างไปชีวิตดับมันไม่มีใครเป็นเพื่อนใครหรอกมันมีแต่ว่าต่างคนต่างลากกันลงเหวหรือว่าต่างคนต่างฉุดกันขึ้นฟ้านะคําถามสุดท้ายครับพี่ตุงครับมันมีอีกอาการหนึ่งก็คือว่า อย่างที่อยู่ในห้องเนี้ตลอดครับพี่ตุนมันสังเกตร่างกายเรามันมันมันมันสั่นสะเทือนอย่างตอนที่พี่ตุนพานนั่งสมาธิผมหลับตาครับมันเหมือนกับเห็นตรงลูกตาเปลือกตามันมันกระพริบเหมือนมันระยิบระยับะครับแล้วอ่ามันก็เราก็จะเห็นระดับของมันสูงต่ำแรงบ้างแล้วบางทีก็มาเห็นความรู้สึกของใจหัวใจที่มันเต้นเป็นจังหวะครับก็เลยผมไม่รู้ว่าอาการแบบนี้คือ ย่งบางทีนอนก่อนจะนอนนะครับบางทีนอนดูร่างกายมันจะเห็นอาการสะเทือนแต่ผมไม่รู้ว่าผมวางใจถูกหรือเปล่าเงี้ยครับของน้องเนี่ยถ้าไปสนใจไอ้อะไรที่มันเป็นของของปลีกย่อยพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเคว่ออกจากไอ้การสังเกตลมหายใจได้แต่ขณะเดียวกันถ้าไปพยายามฝืนอย่าไปกลับไปดูลมหายใจอย่างเดียวท่าเดียวมันง่ายจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะ ก็เอามันไว้ทั้งสองก็แล้วกันอย่างนี้คื อ, อให้สังเกตว่าอาการกระพริบก็ดีอาการที่มันเหมือนมีแรงสะเทือนอะไรก็ดีนะมันเกิดขึ้นในลมหายใจไหนแล้วดูไปเรื่อยๆว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมันเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรที่กําลังปรากฏเด่นเอามาเป็นตัวตั้งให้หมดเอามาเป็นโฟกราวแล้วสังเกตเอาด้วย Background คือลมหายใจว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่ไหมนะ แต่ถ้าเราไปสนใจด้วยอาการที่กระสับกระสายมีความรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บมันจะเกิดวิธิกิจฉาแล้วสมาธิมันพังหมดเลยตัวสติมันจะไม่สามารถจะเดินต่อได้มันเป็นบางทีมันมีเคลื่อนนบกวนจากไอการที่เราใช้ชีวิตมาแบบหนึ่งด้วยนะแต่เดี๋ยว เราจะรู้สึกว่ารูปชีวิตมันต่างออกมาจากข้างในมันจะมีความสอดคล้องกับความสงบมากขึ้นในอาการที่มันกระพริบหรือมีอาการสะเทือนถี่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นาภาวะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาวะที่เราเอามาใช้เจริญสติได้คือเห็นว่ามันถี่มากถี่น้อยมันแรงมากแรงน้อยนะสวัสดีค่ะครับ คือขณะ น, นี้ตอนนี้ก็กำลังแล้วที่นี้พอได้เข้ามาณนะตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยะคะ่ะแล้วก็ได้ฟังคําตอบตั้งแต่ท่านแรกนะคะก็เลยก่อให้เกิดข้อคิดและก็แง่งคิดที่ดีๆที่จะนําไปใชป้ปฏิบัติหลังจากที่จบตรงนี้นะคะคือในก่อนหน้าที่จะมาที่นี่นะคะ่ะเคยตั้งสติ แล้วก็เคยมีความทุกข์เข้ามาแล้วพยายามยอมรับในสิ่งที่ตัวเองที่ขึ้น ว, ยายาวางอะค่ะมันได้ช่วงระยะเวลานึงอะค่ะแต่ก็จะพยายามทำต่อไปอะค่ะค่ะไม่มีคำถามเนาะไม่มีค่ะบอกความรู้สึกเออไปไปดูนะบางทีมันจะ ยังมีความรู้สึกเหมือนกับขัดแย้งอย่างเช่นว่าเรามาทางนี้จริงแล้วหรือเปล่าแล้วมันบางทีมันกิเลสอ่ะมันมันมันหลายอย่างมันซับซ้อนนะนี่ความบางทีมันมีความอยากที่ขัดแย้งกันหรือบางทีอารมณ์หนึ่งมันมีโทสะอารมณ์หนึ่งมันอยากจะปล่อยวางมันอยากจะอภัยมันชอบมี อะไรที่มันสวนทางกันมาเกิดขึ้นพร้อมๆกันนึก อ, ออกนะแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกขัดแยง้งตรงความรู้สึกขัดแย้งเนี่ยถามใจตัวเองว่าใจจริงๆของเราต้องการเลือกอะไรบางทีมันจะยังสับสนนะมันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่นะใจหนึ่งเวลาที่สว่างเวลาที่สว่างมากๆขึ้นมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่นั่งสมาธิมันจะมีบางช่วงที่สว่างเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเอาทางนี้แหละ เอาอย่างนี้เนี่ยแต่บางทีตอนที่มันมีโมหะกลับมาปกคลุมอะ่ะมันมีอารมณ์แบบโลกโลกขึ้นมาปกคลุมเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนคนละพวกกันนึกออกใช่ไหมมันมันเหมือนเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ทางนี้จริงก็ให้ดูไปดูเป็นจิตแค่สองอย่างในช่วงนี้นะจิตที่สว่างกับจิตที่มืดจิตที่มีโมหะกับจิตที่มีปัญญา มันยังผสมกันในตัวเราและยังไม่มีใครที่ได้ชัยชนะไปเด็ดขาดบางทีมันมันยื้มันยื้อกันอยู่มันผสมกันอยู่แน่แต่ให้ให้มองอย่างนี้กันละกันเวลาที่เราสว่างเนี่ยเราจะรู้สึกทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมะหมดเลยแล้วเราอยู่บนเส้นทางนี้จริงแต่เมื่อไหร่โมหะกลับมามันเหมือนกลายเป็นอีกคนนึง ว่ามือีกคนที่แบบยังไม่ได้ตกลงใจจะเอาทางทำไมะบางทีมันอยากทําอะไรผิดๆอยู่คือในชีวิตประจำวันแต่ละคนเนะ่ยเข้าใจได้แหละมันต้องทํามาหากินมันต้องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนดีบ้างไม่ดีบ้างโดยเพราะอย่างยิ่งคนไม่ดีเนี่ยมันจะมีพลังมีอิทธิพลที่จะมาครอบงำจิตใจแล้วดึงดูดให้เราเกิดความรูม้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาหรือจําเป็นต้องต่อก่อน แับพวกเดียวกันนะส่วนใหญ่มันจะไหลๆตามอ่ะไหลายๆตาม แ, <น>แล้วทำยังแล้วทําอย่างไรให้เราเ<ไ>ป<ร>็นแสงสว่างอ่ะคือคือค อ, อย่าอย่าตั้งโจทย์แบบนี้เพราะพอตั้งโจทย์แบบเนี้ยมันเข้าล็อกเดิมเราสงสัยตัวเองไงชอบสงสัยตัวเองเวลาสว่างเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วแต่พอมีความรู้สึกเหมือนกับเนี่ยอย่างตอนนี้เรียก ว, ว่าสว่าง พอสว่างดูว่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจิตสว่างจิตเป็นกุศลอยู่แต่พอจิตกลับไปเป็นอีกคนนึงอ่ะที่มันบอกตัวเองว่าอยู่เท่าๆไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเหมือนกับข้างในเนี่ยถูกครอมงําด้วยตัวตนแบบเดิมที่มันโรคๆพอรู้ว่าเนี่ยจิตสว่างเป็นอย่างนี้ จิตแบบโลกโลกจิตมีโมหะครอบงำเป็นอย่างนี้เห็นความต่างไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พยายามที่จะเอาข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าข้างใดไม่เข้าข้างหนึ่งในที่สุดข้างความสว่างมันจะปรากฏชัดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเกิดสติเห็นว่าจิตมันมีสว่างบ้างมืดบ้าง ตัวที่เห็นชัดๆนั่นแหละว่าเดี๋ยวจิตก็สว่างเดี๋ยวจิตก็มืดไม่คิดจะเข้าข้างตัวนั้นน่ะคือสติเห็นความไม่ใช่ตัวตนไอ้นี่มันเหมือนกับเข้าใจมาหมดแล้วแต่บางทีมันยังมาเถียงกับตัวเองอยู่เลยว่านี่เข้าใจจริงเปล่าตอนที่มันมืดเนี่ยมันเหมือนกับไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เคยสว่างมาก่อนไม่เคยตกลงใจอะไรทั้งสิ้นขอบคุณมากค่ะ ตัวสตินั่นแหละคือตัวกําลังใจอ่ะนะารู้ ว, ว่าบาง <7 S 2> คนเนีเ่ยเจเดือนเนี่ยบรรลุธรรมแล้วนะเจเดือนนี่คือไม่ได้ทําทุกวันแต่ว่าคือกำลังเริ่มต้นทำทุกวันนะไม่ทําทุกวันมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญ mm hmm. มันเป็นประเด็นที่ว่าเรายังมีความรู้สึกถึงการเจริญสติอยู่หรือเปล่าอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะถ้าหากว่าเรายังมีความรู้สึกว่า mm hmm. เราอยู่บนเส้นทางนี้ มาเรื่อยๆ อ, อันนั้นก็คือว่าเราเก้าวหน้ามาเรื่อยๆ อ, อยู่แล้วนะทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดเสมอไปว่าเราจะก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังจิตสว่างนะแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังของคุณใจรู้สึกเหมือนบางทีมันมีกําแพงขวางเคยรู้สึกไหมเหมือนกับยเจริญสติไปแล้วเสร็จแล้วเหมือนคนเดินๆไปเนี่ย แล้วไปหยุดกึกมีกำแพงขวางเหมือนผ่านไปไม่ได้เหมือนกับมันจะมากั้นไม่ให้เราเจริญสติต่อมีความรู้สึกว่าถ้าจะเจริญสติต่อจากนั้นเนี่ยมันมันตันละมันไปไม่ได้ก็ให้มองไปว่าคือให้แปะไป้ายไว้นิดหนึ่งตรงนั้นเรียกว่าสังขารขันสังขารขันหมายถึงสิ่งพรุงแต่งจิตให้รู้สึกไปว่าเจอกำแพง เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าติดตันหรือว่าเจอกำแพงท่องคํานี้ไปเลยเนี่ยสิ่งปรุงแต่งจิตเห็นไหมพอท่องคานี้ปุ๊บมันเหมือนหลุดเมื่อกี้ผมพูดถึงกำแพงนี่คุณรู้สึกเวลาที่มันติดติดตั น, ต, นตอนที่ติดอยู่ด้วยตัวเองมันเรียกไม่ถูกว่ามันนั่นคืออะไรเกิดจากอะไรนี้พอบอกว่านี่คือสิ่งปรุงแต่งจิตชนิดหนึ่ง มันหลุดเลยเหมือนกับเราเห็นไงว่านี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งสภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่มาปรุงแต่งจิตชั่วคราวพอเราเห็นตัวมันแล้ว ร, รู้ว่านี่เรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตมันก็ทาอะไรต่อไม่ได้แล้วมันเห็นตัวซะแล้วเราเห็นอะไรนะสิ่งนั้นจะแสดงความไม่เที่ยงเสมอแต่ถ้าเราจ้องมันเหมือนกับที่พอรู้สึกติดแล้วเราไปจ้องมันเฉยเฉยนึกออกห อย่างนั้นมันก็เหมือนกับเราเราผ่านไปไม่ได้แล้วไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรู้สึกว่ามีกำแพงขวางแล้วก็ล็อกอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นเข้าใจพ้อยใช่ไหมคือพูดง่ายๆต่อไปถ้ารู้สึกติดเราเราเรียกมันว่าติ่งปรุงแต่งจิตมันก็จะรู้สึกว่าเออไอ้นี่มันเป็นของอะไรที่มาชั่วคราวมาให้ดูว่ามันปรุงแต่งไปให้เราติดแล้วมันก็จะหายไปหายไปให้ดูนะ เออคือถ้าเผื่อเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่โสดาบันเนี่ยครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรายังแบบว่าต้องทำงานต้องแบบอยู่ออฟฟิศหรือค้าขายอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็เลยคิดว่าถ้าในอนาคตอย่างเรื่องบวชอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดเราไปเลือกทางนั้นมันจะช่วยได้ดีะนะนก็พอคิดอย่างนี้ว่าเอ้ยจะต้องทํางานยุ่งยากจะต้องมีอะไรที่ปรุงแต่งให้เกิดความพุ่งสร้างไปนะก็ลองอะระลึกถึงให้เกิดกําลังใจว่าสมัยก่อนนางวิสาขาก็ทํางานบ้านก็ได้เป็นโสดาพระเจ้าพิมพิสารยังบริหารบ้านเมืองท่านก็ได้เป็นโสดานะโสดาไม่ได้ ยากเย็นขณะที่ว่าจะต้องไปบวชแน่ๆซะก่อนบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเข้ามาในภาวะของกายใจได้ถูกต้อง ต, งตรงทางนะในที่สุดมันก็เกิดภาวะที่อิ่มตัวจิตมันทิ้งจากความเห็นผิดมันทิ้งความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวเป็นตนซะได้พายความสาคัญมั่นหมายว่ากายนี้เป็นเป็นตัวเป็นตนซะได้ แล้วต้องเป็นอาการคลายในแบบที่จิตมันจะเป็นสมาธิถึงระดับฌานมันถึงจะล้างผลาญกิเลสข้อที่มันเห็นผิดมาตลอดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนนะบางทีเป็นพระเราก็จะอาจจะไปพบความจริงว่าพระสมัยนี้ไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเดียวนะวันทั้งวันบางทีเนี่ยก็คุยกันแบ่ง ก, ก๊อกแบ่งเรา ด่าคนโน้นด่าคนนี้หรือไม่ว่ามาคอยว่าเดี๋ยวจะได้แจกแจกบัตรคิวอนะว่าจะได้รับกิจนิมนต์ใบบ้านไหนบ้างอะไรแบบนี้อะไ ร, อะไรโอยมันวุ่นวายไม่ต่างจากชาวโลกวัดส่วนใหญ่ะนะมีวัดน้อยมากที่ได้ปฏิบัติจริงๆเพราะนั้นคืออย่ามัวแต่ไปหวังรอน้ำบ่อหน้าเอาไอ้ตรงนี้แหละที่มันกำลัง มีกายมีใจมีลมหายใจเอาไว้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แน่ๆมันมีชีวิตอยู่แน่ๆมันมีเลือดเนื้ออยู่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยงไม่ต้องไปรอของน้องเนี่ยมันเหมือนเกิดมาโดยมีเป้าหมายไว้ก่อนเกิดอยู่แล้วนะว่าจะเอาทางนี้เรารู้สึกตั้งแต่ไหนแต่ลายแล้วมีเป้าหมายอะไรรออยู่บางอย่าง ตั้งแต่มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยมันมีความสว่างอะไร ข, ข้างในที่มันนำทางเราอยู่เราสามารถรู้สึกได้พอมาอยู่บนเส้นทางนี้มันกระโจนเข้ามาไม่รอเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยที่มันเป็นภาร ก, กิจของเรานะไอ้ชีวิตที่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้รอหรอกมันจะต้องอยู่ในยูนิฟอร์มเป็นเสื้อเชอิ้ตหรือว่าเป็นผ้าเหลือง อย่าไปรอผ้าเหลืองเพราะบางทีมันไม่แน่ม่นอนว่าเราจะได้คลองหรือเปล่าเราจะได้คลองนานแค่ไหนบางทีมันมีเหตุอะไรในชีวิตบีบอยู่มากมายนะบางคนไม่พร้อมจะคลองผ้าเหลืองก็ไปคลองบางคนพร้อมจะคลองก็ไม่คลองมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างถ้าหากว่าเราไปหวังรอว่าเออเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่ง เราไม่ได้ทํางานแล้วจะไปปฏิบัติเต็มที่จิตนามันจะมีแต่อาการรออนาคตแล้วก็ไม่ยอมที่จะอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันเหมือนจะไม่พร้อมยอมรับปัจจุบันเลยอะไรที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนกัเห็นครึ่งเดียวทุกวันนี้ลองสำรวจตัวเองบางทีมันเห็นเต็มที่อยู่แป๊บๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันเลื่อนออกไป บางทีเห็นอะไรน่าจะเห็นอยู่ชัดๆมันเห็นแค่ครึ่งเดียวเพราะใจมันไปปักอยู่แล้วว่าต้องบวช้วก่อนมันถึงจะเห็นได้เต็มที่นี่ความเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยสำคัญนะมันปรุงแต่งจิตของเราให้เจริญสติได้เต็มหรือไม่เต็มอย่างที่ผ่านมาถ้าเกิดความฟุ้งซ่านในการทํางานหรือว่าในระหว่างมีชีวิตประจำวัน เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะมันมีอาการของใจตัวนหนึ่งที่บอกว่าตรงเนี้ยเราเห็นเหมือนเห็นผ่านผ่านม่านหมอกอะไรบางๆคือมันไม่ได้เห็นเข้าไปเต็มๆมันเห็นด้วยความเชื่อว่าเห็นไปก็ไม่บรรลุธรรมนึกออกใช่ไหมม่านตรงนั้นน่ เวลากลับไปดูดวันนี้เน้นเป็นเรื่องสําคัญเลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันยังมีม่านแห่งการรอคอยมาบังในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยบอกตัวเองว่าเนี่ยม่านบทบังปัจจุบันเราจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางๆที่มันขั้นอยู่ระหว่างตัวเรากับสิ่งที่เราเห็นพอเห็นบ่อยๆเข้า มันก็จะเกิดความรู้สึกอ๋อเออจริงด้วยมันมีม่านอยู่จริงๆแล้วมา่านนี้สามารถที่จะแสดงความไม่เที่ยงได้เมื่อเราเห็นบ่อยๆคือมันจะบางลงบางลงไปเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเปิดเนี่ยเหมือนอย่างตอนเนี้เรานั่งฟังพี่พูดอยู่เรารู้สึกเออ ม, มันมันมีคอนเนคชั่นชัดขึ้นเป็นบางบูบนอกนั้นี้มันจะเป็นตกอยู่ในอาการรอคอย เห็นใช่ไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงม่านแห่งการรอคอยเนี่ยมันมันติดตัวเรามาอยู่ตลอดนะนี่ถ้าดูตัวเนี้ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดตัวเราอยู่ตลอดมันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดะแล้วเราดูตัวนั้นนั่นคือได้เจริญสติจริงๆนอกนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของหลอกเหมือนกับเป็นของแวดล้อมอยู่ห่าง จะตั้งใจดูลมหายใจจะตั้งใจบริกรรหรือว่าจะตั้งใจเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ให้สำรวจสังเกตภาวะนี้เป็นอันดับแรกเลยมันมีม่านอยู่หรือเปล่าถ้ามีรู้ว่ามีถ้าไม่มีรู้ว่าไม่มีมันจะเหมือนกับใจเราเปิดออกรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเต็มๆเมนะข้าใจนะขอบคุณมากครับนะะพี่ตุลพอดีว่าเอยีงอยงเอีงนิดนึ่ง ข้อสงสัยหลายข้อสาหรับวันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนว่าพอดีก็ตามดูสภาวะมาก็เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ก็คือว่าคือไม่แน่ใจว่าจริงๆตัวโมหะมันคืออะไรรู้แต่ว่าตอนเนี้ยคือเวลาที่เจอมีเหตุการณ์ที่เราทุกหนักๆเราก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คือรู้สึกมันยุกยิกยุกยิกอยู่ ีตรงที่มันยุกยิกเนี่ยนะมันมาจากพื้นของเราที่เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็ออกจะเหมือนกับแล่นตามอารมณ์จิตของเราเนี่ยเล่นตามอารมณ์ได้ไวนี่อย่างตอนนี้พอฟังพี่พูดอยู่เราจะรู้สึกเหมือนเหมือนใจมันคลายออกมาจากอาการเคยชินแบบเดิม เนี่ยมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคลายเต็มที่แต่มันยังรู้สึกมันคลายมันคลายบ้างคือเวลาที่เราสังเกตเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะคลายออกมาเต็มที่ตอนที่พี่ชีช้ให้ดูว่ามันคลายเนี่ยจะคลายครึ่งเดียวหรือคลายนิดเดียวมันคืออาการคลายมันคืออาการต่างไปเมื่อเราเห็นอาการต่างไปอยู่เรื่อ ย, อยมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ย มีอะไรอย่างหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นได้คือมันจะค่อยๆเกิดความรู้สึกเชื่อขึ้นมาเมื่อเราสามารถเห็นได้ไอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นพวกโทสะจริตมันจะพร้อมจะหงุดหงิดแมก้กระทั่งตัวเองพอเราทําไม่ได้เพราะเราเห็นไม่เป็นอารมณ์หงุดหงิดมันเข้ามาแทรกละมันเข้ามาสกัดกั้น มันเหมือนมีอาการเตะสะกัดดาวรุ่งนึกออกไหมคือเนี่ยมันกาลังจะเหินขึ้นเชิดหัวขึ้นอยู่ดีๆเรามาเตะสะกัดตัวเองโอ้ยทำไม่ได้หรอกโอ้ยมันทำไมไม่เวิร์คทำไมมันอย่างงน้นทำไมมันอย่างนี้มันชอบมีความคิดชนิดที่งุนงิดเข้ามาแทรกเข้ามาทำให้เข้ามาซ้าเติมให้เรารู้สึกเชื่อว่าเนี่ยทำไปก็ล้มเหลว ไม่มีอะไรดีขึ้นสักทีคือคิดน้อยลงพยายามพยายามไม่คิดแต่ว่ามันแต่มันมีความคิดชนิดนี้นขึ้นมาเองใช่มยุยิอ่ะนั่นแหละลแสบอะตลอดเวลาวิธีที่ถูกต้องนะ เ, เราต้องบอกตัวเองว่ามันจะมีอารมณ์ยุกยิกแบบเนี้ยมาเพื่อให้ดูเพื่อให้เรียนรู้ว่านี่คือตัวเราที่สั่งสมมา ตัวเราคือสิ่งที่เราสั่งสมมาด้วยกรรมทั้งทางใจทั้งคําพูดทุกวันนี้เนี่ยบางทีมันเหมือนเรารําคาญตัวเองในเวลาปกติที่ไม่ได้คิดว่าจริญสตินะพ่าเรารําคาญตัวเองขึ้นมาเนี่ยมัน เ, เหมือนกับคนที่หาทางออกไม่เจอเหมือนกับอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูพอเรามอง ไปแล้วไม่เห็นประตูเนี่ยเรายิ่งเกิดความรู้สึกงุนงา น, นี่จริงๆแล้วถ้าเราแค่ยอมรับว่าห้องนั้นเป็นสภาพชั่วคราวแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวก็ผนังทั้งสีด้านก็เปิดออกเปิดออกเองแต่ขอให้เรามีความสามารถที่จะยอมรับว่าเรากำลังอยู่ในห้องห้องหนึ่งให้ได้ก่อน เข้าใจไหมคือต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเนี่ยมันจะมีอารมณ์ ย, ยุกยิกยุกยิกเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ายอมรับตรงนี้ไม่ได้มันก็จะหงดหงิดร่าไปแต่ถ้ายอมรับได้มันจะกลายเป็นเครื่องมือเจริญสติเพราะของพี่คือตรงนี้นะถ้าน้องสามารถมองได้ว่ามันมีอะไรยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใจมันจะเบาลงไปครึ่งหนึ่งแล้ว มันจะรู้สึกเออนี่แหละสิ่งที่จะต้องเผชิญไอ้ น, นี่แหละคือสิ่งที่เราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการฝึกเจริญส ต, ติเนี่ยดูความเบาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันไม่ได้คลายออกหมดแต่อย่างน้อยมันเบาให้เห็นเบาอันเกิดจากการเลิกยึดว่าจะต้องอได้อาการที่มันโลง่งโถงหรือว่าเป็นอิสระหมดจดนะมันเบา อันเกิดจากการเลิกคาดหวังว่าจะไม่ต้องยุกยิกสักทีตัวความคาดหวังนั่นแหละตัวที่ทําให้มันเกิดอาการตัวตัวเลี้ยงอาการยุกยิกไว้นะก็น่าก็น่าจะถูกต้องเพราะว่าจริงๆอาการแบบนี้จะเกิดประมาณว่าเราต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคิดว่าเป็นคนที่ยึดแล้วก็คาดหวังลึกๆึกลึก ล, ก ล, กลกทั้งที่ว่าพยายามความคิดว่าเออปล่อยปล่อยปล่อยไปตามนั้นแล้วก็ยังเป็นย ตอนที่น้องบอกว่าพยายามปล่อยอะนะมันเป็นการแกล้งคือเหมือนสั่งตัวเองบอกว่าเฮ้ยปล่อยไปเถอะแต่ใจจริงจริงมันยังไม่ได้ปล่อยคือมันคล้ายๆสั่งตัวเองเฉยๆเหมือนกับเจ้านายสั่งลูกน้องว่าเฮ้ยเนี่ยปล่อยปล่อยทิ้งไม่สิก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามือของลูกน้องยังปล่อยไม่ได้ มันมีโซ่มีอะไรล่ามอยู่แต่ไปสั่งให้ปล่อยซะพูดง่ายๆว่าสั่งในสิ่งที่มันทำไม่ได้มันเห็นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรายอมรับตามจริงเออมันยังมีโซ่ล่ามอยู่มันยังตัดไม่ได้ในตอนนี้ก็แค่เออไม่ต้องยกขึ้นมาได้ไหมไม่ต้องแบกขึ้นมาเหนือหัวให้มันเสียกำลังเปล่าได้ไหม ก็คือถ้าเกิดว่าเกิดในหลายๆเรื่องมันเหมือนเป็นไกดไกหลน์ไกดเดียวเลยใช่ไหมครับเพราะคือหลายๆเรื่องที่เหมือนคือรู้ตัวเลยว่าสู้กันกับจิตอยู่หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องคือเราคิดคิดหัวสมองคิดว่าเฮ้ยทางนี้น่าเด็กที่ว่าอาจจะศึกษาอะไรมาหลายสิ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าสมองมันคิดให้ต้องเดินทางหนึ่งแต่จิตต้องอีกทางหนึ่งแล้วมันเหมือนสู้กันอ่ะเรามองเรามองย้อนเรามองย้อนกลับไปนะ ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยคือวิธีที่เราคิดสิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูของเรามาตลอดก็คือตัวของเราเองบางทีเนี่ยมันตั้งตนเป็นคู่ต่อสู้ของตัวเองบางทีในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเราสามารถทะเลาะกับใครในเรื่องที่บางบางที เห็นว่ามีเหตุผลแต่บางทีไม่มีเหตุผลเราก็อยากทะเลาะเหมือนกันตัวของเราเองเวลาที่มันย้อนกลับมาเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองตกลงใจไม่ได้ตอนทีส่สังเกตตอนที่ตกลงใจไม่ได้มันจะเหมือนทะเลาะตบตีกับตัวเองอยู่ข้างในนอนไม่หลับคือคิดอะไรไม่ออกว่านี่เราอยู่ข้างไหนกันแน่ ลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นวิธีคิดของเราเนี่ยกระบวนการวิธีคิดของเรามันผิดถ้าเรามองอย่างนี้ให้ได้ก่อนมันจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการคิดอีกแบบหนึง่งคิดว่าเออตอนนี้เราฝึกเจริญส ต, ติเรายอมรับได้ไหมว่ามันเกิดภาวะยุกยิกขึ้นมา เกิดภาวะเหมือนกับเกิดการแบ่งแบ่งแบ่งข้างทะเลาะกันเองกับข้างไหนพอเรามีมุมมองแบบนี้ได้สติมันจะได้มีทิศทางไงเวลาที่เกิดภาวะอย่างที่ว่าขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรายอมรับได้แล้วว่าเออมันเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเพิดเกิดภาวะยุกยิกจากนั้นเราจะได้สังเกตต่อว่าภาวะยุกยิกนะ่ย ถ้าเราสามารถยอมรับมันได้มันอ่อนกำลังลงไหมถ้าอ่อนกำลังลงไม่ต้องไปดีใจนะเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมีกำลังขึ้นมาใหม่แล้วว่ามันมีอาการเร่งเร่งแรงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียใจคือเราเฝ้าดูต่อไปในแต่ละลมหายใจเนี่ยดูเป็นแบ็กกราวด์นะดูลมหายใจเป็นแบ็กกราวด์ว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยอาการยุกยิกตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้นานแค่ไหน ตลอดแต่ว่าแต่ละครั้งยังสังเกตไม่ออกว่าสั้นยาวหรือว่าอะไรหรือว่าวันๆหนึ่งความรู้สึกเปลี่ยนเยอะมากจนจนบางครั้งก็ต้องฝึกต้องจนบางครั้งก็คือสับสนแล้วว่าตกลงจะตามใจหรือเปล่าเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีทั้งความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ใช่เราทั้งสองสิ่งแล้วบางทีก็ปล่อยเล่นปล่อยให้เขาเล่นไปกับอารมณ์พฤติกรรมที่แสดงออกมาปล่อยให้เล่นไป็นอารมณ์จนรู้สึกว่า กล้จะเพียแอ่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราดูไม่ถูกนะคือตอนที่เราให้ความร่วมมือกับมันเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้กําลังของมันมีมากขึ้นแต่ตอนที่เราบอกว่าปล่อยให้มันเล่นให้ดูเนี่ยนั้นมันคือการที่เหมือนกับไม่มีเครื่องสังเกตว่าเราจะดูอะไรเข้าใจพ้อยไหมคือถ้าหากว่า เราปล่อยให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้โดยไม่มีจุดหมายปลายทางในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในอารมณ์ฟุ้งซ่านแบบไม่รู้จบออคิดว่าตอนนี้กำลังจะเป็นแบบนั้น เ, ออเพราะว่าแม้กระทั่งหลับจิตก็คือไปคิดด้วยทีนี้ยิ่งตื่นมายิ่งติดมากับหัวเลยเอละสรุปง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืมที่พี่บอกนะคือว่าถ้าเกิดอารมณ์ยุ่ยิกขึ้นมาเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองขึ้นมา ให้สังเกตเลยเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันแรงแค่ไหนยอมรับให้ได้ว่ามันแรงแค่นี้ลมอีกลมหายใจหนึ่งมันอ่อนลงหรือว่ามันทวีขึ้นมาเวลาทวีขึ้นมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะมันจะรู้สึกเหมือนทนไม่ได้แต่เวลาที่มันอ่อนกำลังลงเราจะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นว่าถ้าเกิดรู้สึกยุกยิกให้มาจับที่ลมหายใจให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตว่าลมหายใจ น, นี้นะ มันเกิดความยุกยิกแค่นี้คืออย่าอย่าเพ่งเข้ามาที่ลมหายใจนะเพราะเราจะยิ่งอึดอัดแต่ว่าเนี่ยให้หายใจทีนึงแล้วบอกว่าเนี้ยตรงนี้ยนะยอมรับว่ามันกําลังยุกยิกมันกําลังกระสรับกระส่ายเหมือนจะทนไม่ได้นะรอดรอเฉยๆอะ่ะเข้าใจคําว่ารอเฉยๆไหมคือคือไม่ได้ไปทําอะไรกับมันแต่พอมันจะหายใจอีกทีนึงนะี่ตรงนั้นเป็นเครื่องเตือนแล้ เหมือนมีสัญญาณเตือนว่าให้ให้สังเกตเข้ามาใหม่ว่ามันมีอารมณ์เหมือนจะทนไม่ได้หรือว่ามันมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะเป็นตัววัดว่าอ่อนกําลังลงหรือว่ามันมีความเข้มข้นขึ้นคือสรุปก็คือถ้าเกิดว่ายังแต่ว่าอยากไหมก็คือหมายถึงว่าก็ต้องหยุดสักพักหนึ่งถูกป่ะคะเพราะว่าปกติก็จะปล่อยไปดูแล้วก็ยังทําพฤติกรรม อื่นไปอย่างขับรถก็ยังเปาะก็ยังดูก็ยังเห็นว่ายัางยุคอีกก็คือแต่เราก็จะขับรถไปแต่สักพักถ้าเกิดว่าเกิดเราแบบไปฟังเพลงอย่างอื่นขึ้นมาอารมณ์ก็เปลี่ยนเลยเลยมันก็มันเปลี่ยนต <ใน S 2> ามสิ่งที่มันเข้ามาอ ย, อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าน้องทําแบบนั้นเนี่ยมันบางทีมันจะทอดระยะยาวเกินคือมันจะทิ้งช่วงยาวเกินแต่ถ้ามันสังเกตอยู่ในแต่ละลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราบอกได้ว่ามันไม่ มันไม่นานเกินมันมีอะไรเข้ามาให้ระลึกอยู่เรื่อยๆแน่ๆอย่างเวลาที่มันเปลี่ยนตามอารมณ์กระทบเนี่ยเราเราเอาแนวนอนไม่ได้ไงไม่จะให้อะไรมากระทบเวลาไหนแต่ยังลมหายใจเนี่ยมันไม่เกินครึ่งนาทีแน่ๆเราได้สังเกต ท, ทุกครึ่งนาทีแน่ๆนะทีนี้เออมีข้อสงสัยอีกคือบางทีเราก็จะรู้สึกถึงคลื่นอะไรบางอย่างความเบื่อหรือ หรืออะไรเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับผ่านออกจากข้างนอกมันไม่ได้กด า, ไาก อ, <น>อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันอันนั้นคืออย่าไปเชื่อมันอ่าไม่ต้องไปสงสัยคือไอ้ประเภทว่ามันเป็นคลื่นมาจากข้างนอกหรืออะไรเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะสังเกตได้แต่ของเราถ้าขืนไม่สังเกตแบบนั้นนะ่ะมันปุ้งซ่านตายเลย คือปกติทุกวันจะคือ จ, จะไม่เคยรู้สึกอะไรนะคะแต่อยู่อบางทีก็นานๆทีมันจะโชยขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยนั่นคือเป็นความเบื่อของเราหรือว่าคือคือเนี่ยประเด็นที่พี่พูดอยู่ตรงนี้อย่าไปทำความรู้สึกสังเกตว่ามันมาจากข้างนอกหรือมันเกิดขึ้นจากข้างในให้แปะป้ายไว้เสมอกันว่านี่คือความปรุงแต่งของจิตมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละของจริงแน่ เป็นของปรุงแต่งจิตแน่ๆซึ่งเกิดจากจิดเราไม่ว่าจะเกิดจากข้างนอกหรือข้างในคืออย่าไปสนใจว่านั่นเป็นของข้างนอกหรือของข้างในภาวะของเรายังไม่พร้อมที่จะรู้ที่จะแยกแยะว่านั่นเป็นข้างนอกหรือข้างในแต่มีความพร้อมเสมอที่จะเห็นว่ามันเป็นของปรุงแต่งจิตเป็นสภาวะปรุงแต่งจิตคือตรงนี้ก็ยังแยกไม่ออกค่ะพี่ตุนว่าจิตปรุงแต่งจิตหรือเปล่าคือแยกไม่ออกอย่าไปแยกท่องไว้คําเดียวเลยว่านี่คือความปรุงแต่งจิต พอท่องไว้อย่างนี้แปะไป้ายไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นแล้วเป็นของปรุงแต่งจิตแน่ๆนะแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าให้ดูอายตนะปับพระเวลาที่มีรูปมากระทบตาท่านก็ให้มองว่ารูปกระทบนั้นมันปรุงแต่งให้เกิดอาการยึดแบบไหนมันปรุงแต่งให้เกิดสังโยชน์อย่างไรนี่แสดงให้เห็นว่ากระทั่งรูปชัดๆเลยนะว่าเป็นเป็นของกระทบภายนอกนะกระทบแล้วเนี่ยท่านก็ให้มาดูที่นี่ ไม่ใช่มามัวแยกแยะอยู่ด้วยความสงสัยว่ามันมาจากภายนอกหรือว่าเราคิดขึ้นมาเองขอให้มองเถอะว่ามันปรุงแต่งจิตแน่ๆนะค่ะยังมีคําถามครั้งเคยมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้อันนั้นมาเพื่อแบบทคำถามว่าจะคล้ายๆแบบดัดนิสัยตัวเองมีลักษณะก้าวเล้านิดๆทีนี้พี่ตุนให้ไปดูเรื่องของจิตที่บิดเบี้ยวคือปกติ ดูไม่ออกอยู่แล้วว่าไม่ไม่เห็นของความเป็นรูปว่ามันตรงหรือมันบิดเบี้ยวมันไม่เหมือนตอนที่พระพี่ตุนพาดูใช่ไหมคะมันเหมือนจะมองเห็นจากตรงนี้แต่ว่าเออเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันต้องเห็นจากกลางตรงนี้หรือตรงนี้เพราะรู้สึกจะจะมีการแยกแยะอยู่2 อ, อย่างคือตรงนี้มันโล่งขึ้นสว่างขึ้นกับมันไม่ได้เห็นเป็นแสงสว่างแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันปโปร่งขึ้นเฉยอ่่าาานยยยยยใหมนะยายามะะพแแก ว่ามาจากตรงไหนอย่าพยายามแยกแยะว่ามันจะต้องดูออกมาจากจิตแบบใดให้เอาความรู้สึกในปัจจุบันเป็นตัวตั้งอย่างถ้าเป็นความรู้สึกว่าสับสนอยู่หาที่ตั้งไม่ถูกก็ให้เอาตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเรารู้สึกเคว้งเว้ ง, งงงอยู่ก็ให้เอาความเคว้งเว้ง ง, งงงนั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติเป็นจุดแรกที่จะเห็นจริงๆนะถ้าหากว่ารู้สึกยังไงอยู่ไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มแต่ ให้มองว่านั่นแหละคือก้าวแรกของเรานี่อย่างตอนนี้มันเหมือนอย่างครึ่งครึ่กลางกลางเราก็เอาความครึ่งครึ่งกลางๆเนี่เป็นตัวแรกนี่เห็นไหมพอรู้สึกถึงความครึ่งครึ่กลางๆมันชัดขึ้นมันชัดขึ้นมานิดนึงพอยอมรับว่ามันครึ่งครึ่งกลางกลเมื่อกี้ตอนที่น้องยอมรับว่ามันครึ่งครึ่งกลางๆมันชัดขึ้นมานิดนึงนี่ตัวนี้เรียกว่าเอาจุดที่มันกําลังเป็นภาวะปัจจุบันเป็นภาวะปรากฏเด่นเป็นตัวตั้งไม่ใช่ไปพยายามคิด ที่น้องถามมาทั้งหมดเนี่ยมันคือวิธีคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรออกมาจากตรงไหนพยายามหาความเข้าใจเอาให้ได้แต่ที่พี่บอกก็คือว่ากำลังรู้สึกอย่างไรให้เอาความรู้สึกนั้นแหละเป็นตัวตั้งอย่าไปเอาอะไรอย่างอื่นมาเป็นตัวตั้งเพราะมันจะทำให้เราฟุ้งซ่านไ ป, ปเปล่าๆนะที่บอกว่าภาวะบิดเบี้ยวเนี่ยคือหนูไปที่พี่ตุนพาดูนะตอนที่พาดูอ่ะมันมองเห็นใช่ไแต่พอกลับไป ก็คือบางทีก็คือเกิดขึ้นมาเองเราก็รู้สึกเองว่าเราต้องรู้สึกหยุดตรงเนี้ยเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างแล้วดัดเอาอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ย น, นเป็นพี่เปลี่ยนคําพูดใหม่แล้วกันเอาความรู้เอาความรู้สึกแบบเราก็แล้วกันตอนที่เราใช้คำว่ายุกยิกนั่นแหละคือบิดเบี้ยวลืมคําว่าบิดเบี้ยวไปซะเหลือแต่คําว่ายุกยิกคําเดียวพอน ะ, อออะตรงตรงที่รู้สึกว่ายุกยิกนั่นแหละที่พี่พูดถึงคือมุมมองเรามันบางทีมันต่างกัน ของเรามันเป็นความรู้สึกอย่างหนึง่งของพี่มันเห็นไปอย่างหนึง่งนะทีนี้เมื่อกี้สงสัยอีกแล้วที่มีจิตมืดกับจิตสว่างตอนที่พี่พูด่ัวันอื่นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ทำไมหนูเออทําไมหนูไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยอันไหนมันคือสว่างหรือคือไม่แน่ใจว่าเอ้ยทุวนี้คือที่เห็นอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคือกรทั้งจิตสว่างจิตมืดยังแยกไม่ได้ ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปเห็นสว่างกับมืดให้ได้ซะก่อนเราต้องเห็นภาวะที่กำลังปรากฏ ช, ชัดอยู่ในเราให้ได้ซะก่อนอย่างของน้องใช้คาว่ายุกยิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงใจน้องที่สุดแล้วมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เรารู้สึกอยู่ด้วยตัวเองอันนั้นถ้าหากว่าเรามองเห็นได้นั่นดีกว่าไปพยายามเห็นความแตกต่างระหว่างสว่างกับมืด ถ้าไม่เห็นความสว่างเลยแต่เห็นอาการยุกยิกอยู่เรื่อยๆในที่สุดมันจะสว่างขึ้นมาเองแต่ถ้าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันสว่างขึ้นมาวาบหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่เรารู้สึกคลายนั่นแหละเรียกว่าสว่างแต่มันคลายอยู่แป๊บเดียวมันกลับมาสงสัยใหม่เห็นไหมตัวเนี้ยที่ทำให้เรายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าระวางสว่างกับมืดมันต่างกันยังไงนี้ถ้า ไอ้ตัวยุกยิกมันเห็นมันถูกเห็นได้เรื่อยๆเฮ้เนี่มันยุกยิกมากลมหายใจต่อมามันยุกยิกน้อยลงเดี๋ยวมันเข้มขึ้นมาอีกละเดี๋ยวมันมากขึ้นมาอีกล้เดี๋ยวมันก็กลับลดลงไปอีกเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเย็นที่จะเห็นไม่ใจร้อนแล้วไม่มีอาการเร่งร้อนแล้วไม่มีอาการรีบที่จะเอาให้ได้ว่าเราจะต้องหายฟงาุงงซ่านหายยุกยิกเดี่ยวนี้ตัวนั้นแหละ ที่มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแบบหนึ่งอ๋อไอ้คำว่าสว่างเนี่ยมันไม่ใช่สว่างเป็นนิออนอย่างนี้นะแต่มันรู้สึกสว่างระหว่างขึ้นมันโล่งขึ้นมันเหมือนเดินผ่านออกมาจากป่ารกแล้วออกทุ่งโล่งที่มันรู้สึกสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในป่ารกมาจนกระทั่งรู้สึกเหมือ น, นว่าไม่เข้าใจ ว่าทุ้งโล่งมันเป็นยังไงแต่จริงๆก็เข้าใจขึ้นมาเป็นบุบๆเนี่ยอย่างตอนเนี้ยตอนที่เราพยักหน้าเนี่ยนั่นก็คือทุ้งล่งน้อยๆแล้วมันจะได้ผ่านทุ้งโล่งแบบนี้อีกเรื่อยๆถ้าหากว่าเราสังเกตอย่างที่พี่บอกว่าภาวะของเราเนี่ยยุกยิกเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันต่างไปเรื่อยๆนะมันก็ มันก็ใช้กำลังในการที่จะสวนทางกับกระแสะแบบเดิมๆไงไอของแบบเดิมๆ เ, เนี่ยจะเอาอย่างใจให้ได้แต่ตอนเนี้ยมันเหมือ น, นเริ่มมาศึกษากันใหม่ว่าไอที่จะเอาอยัางใจให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งไอตรงนี้มันสวนทางกับตัว ต, วตวนแบบเดิมไงมันก็เลยเหมือนกับว่ า, วาเพื่อที่จะล้มล้างเพื่อที่จะโค่นอ น, นาจ ตัวตนแบบเดิมๆเนี่ยมันต้องออกแรงอันนี้เป็นธรรมดาเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางทีเราจะรู้สึกเหนื่อยอยู่ๆมันเหนื่อยอ่อนขึ้นมาเฉยๆไม่รู้เหนื่อยไปตอนไหนตอนที่เราไม่ไม่ปล่อยให้อะไรๆมันเป็นไปตามอารมณ์แบบเดิมๆนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยมันว่ายน้าทวนกระแสแล้วเวลาเราว่ายน้าทวนกระแสมันเกิดการออกแรงทางร่างกายอย่างไร การที่เราทวนกระแสตัวตนแบบเดิมๆอาการทางใจแบบเดิมๆก็ต้องออกแรงทำนองเดียวกันแบบนั้นนะจ้ะโอเคค่ขอบคุณค่ะจ้ะพีู่นสวัสดีครับก็คืออยากจะถามว่าเดี๋ยวเอียงขึ้นมาแล้วพูดดังนิดนึงนะอ่าครับโอเคยังครับก็คืออยากจะถามว่าทุกๆวันนี้ที่แบบผมพยายาม ตามรู้ตามอะไรของผมตามตามเป็นเรื่อยเนี่ยฮะโอเคหรือยังเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมตรงจุดเข้าใจความต่างไหมระหว่างตั้งใจจริงแต่ทำทำไปแล้วไม่เอาจริงเข้าใจใช่ไหมคือมันเหมือนบางทีเนี่ยใจเราอะเราตั้งใจจริงนะแต่ทําทําไปแล้วมันมันเหมือนไม่เอาจริง เข้าใจอารมณ์นี้ได้เนี่ยเราคุยกันต่อได้อารมณ์แบบไม่เอาจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความเคยชินแบบโลกๆอะ่ะทั้งตอนเรียนทั้งตอนทํางานต้องสังเกตตัวเองคืออย่างเวลาเรียนอะไรตอนแรกเนี่ยมันจะมีความมุ่งมั่นมันมีความรู้สึกกระตือรือร้นแต่พอทำํทำๆไปแล้วมันเบื่อไม่เกิดความรู้สึกว่า ขี้เกียจจะไปชิงชัยขี้เกียจจะไปเอาความสําเร็จอะไรกับใครเขามันเลยเกิดอาการเหมือนกับหุ่นยนต์นคือยังทําต่อแต่ทําไปอย่างนั้นเองคือมันไม่มีใจเหมือนตอนแรกคล้ายๆกับว่ามันไม่เอาจริงขึ้นมาซะเฉยๆเข้าใจอารมณ์นี้ใช่ไหมนี่มันเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นมาจากการจเจริญสติมันเริ่มต้นมาจากตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่ตอนทํางาน พูดง่ายๆว่ามันมีไฟขึ้นมาในช่วงแรกแต่แล้วจู่ๆมันมอดขึ้นมาเฉยๆตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมันเหมือนไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจนไงว่าเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมันขี้เกียจจะรู้ถามว่าทีนี้ย้อนกลับมาถามว่าที่น้องจะเดินตติมาเนี่ยในแต่ละวั น, นมันถูกไหมมันก็ถูกอยู่เหมือนกันนะเวลาที่ รู้ว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นบางทีมันรู้ไปรู้ไปจริงๆแต่มันรู้ไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตั้งใจให้ก้าวหน้าหรือว่าหาทางทำให้อะไรมันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้ไปเดินจงกรมถ้าจะให้นั่งสมาธิเนี่ยใจมันไม่เอาคือบางทีมันนั่งมันเดินนะแต่ถามว่า มีใจเต็มๆให้กับการ น, นั่งการเดินไหมบางทีมันมีให้ให้ช่วงเริ่มต้นว่าอยากได้ชื่อว่าเออเนี่ยเราก็เดินเหมือนกันเราก็นั่งเหมือนกันแต่พอนั่งปุ๊บเดินปุ๊บเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้อยู่ว่าเรามีความสามารถที่จะประเมินว่ามันคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วแต่มันเหมือนใ้ส่วนนั้นมันชัดดาวไปมันปล่อยไปเฉยๆเอวย เข้าใจอารมณ์เอ่อยๆไหมว่ามันทำไปอย่างนั้นเองต่อไปสังเกตตัวนี้นะอารมณ์เอ่ยๆเมื่อไร่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่พอพี่พูดถึงอารมณ์เอ่อยๆมันกลับมาเป็นบุบๆเนี่ยเราก็ดูว่าอารมณ์เอ่ยๆมันจะประมาณว่าเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจว่าจะคืบหน้าว่าจะแตกต่างไปยังไงนะมันอารมณ์มันลอยๆอะ่ะเหมือนคนเหม่อ มันไม่ใช่เหมื่อกายอารมณ์ตรงหน้าเท่านั้นนะเหมือนเหมื่อกับชีวิตทั้งชีวิตเลยบางทีมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเราเหมื่ออยู่ไม่ใช่เมื่อกายสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันอยากเหมื่อกับชีวิตทั้งชีวิตทีนี้ถ้าเราเห็นอารมณ์เมื่อบ่อยๆคือตอนเนี้เห็นไปไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าออกไปนอกห้องแล้วเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ มันจะค่อยๆมีสติแล้วมันจะค่อยๆมีไอตัวมาตรวัดข้างในว่ามันคืบหน้าไปแค่ไหนตัวความคืบหน้าก็คือตัวอาการเหม่อถูกรู้ได้ไวขึ้นแค่ไหนและตัวอาการเหมอมันสลายตัวไปแค่ไหนกลายมาเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าอยู่ในเอเรียบทไหนรู้ว่าเคลื่อนไหวยังไงรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกตัวนี้อยา่ยาอย่าหวัง ว่าจะ ก, ก้าวหน้าเร็วนะเพราะเราสั่งสมไอ้อดรมชนิดนี้เนี่ยมานานมันทั้งทางโลกแล้วก็ ท, งทางธรรมเราจะรู้สึกได้เลยบางทีเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีมันลืมตัวเราเป็นใครวันนี้จะทำอะไรมันเหมือนกับไม่เหมือนกับหายไปเฉยๆความสนใจในการมีชีวิตเนี่ย คือที่เราจเจริญสติอยู่มันเพราะว่ามันมีอนุสติส่วนลึกบอกว่าต้องทําอะไรที่สําคัญให้กับตัวเองบ้างแต่ต่อไปนะเอาแค่มาจเจริญสติดูอารมณ์เหม่ออารมณ์ไม่เอาอะไรจริงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะต่างไปตัวที่มันกระตือร้อนจริงๆมันจะกลับมาอย่าปล่อยให้ความเคยชินแบบนี้มันเกิดขึ้นทังชีวิตมีไฟขึ้นมาวูบในในช่วงแรก เอาจริงเอาจังทุกอย่างเลยแต่พอมาถึงครึ่งทางปล่อยไปเฉยๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่มีผลกับแค่ชีวิตนี้มันมีผลต่อไปเรื่อยๆเป็นปฏิกิริยาลูกโตนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับจำได้จำได้ไม่ต้องแนะนำตัวครับอยากจะขอเรียนถามนะครับ อยากจะทราบว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสวดมนต์ภาวนาและก็การแผ่เมตตาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็อย่างสวดมนต์เนี่ยนะสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยก็คือเราไม่คาดหวังอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นนอกจากจะเปล่งเสียงเพื่อที่จะสันเสริญพระคุณคุณคุณสมบัติอันวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ เราเราพูดง่ายๆตั้งใจจะเปล่งเสียงออกไปให้มีความสุขกับการสรรเสริญอิติปิโสภราวารหังสัมมาสัมพุโทโธภกรกวาเนี่ยคือฟังเสียงตัวเองว่ามันออกไปเต็มปากเต็มคำหรือเปล่าแ ล, ล้วแก้วเสียงของเรานะั้นมันจะเพาะขึ้นเรื่อยๆถ้าแก้วเสียงของเรามันเพาะขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกมีความสุขนั่นเนี่ตัวนี้มาถูกตางแล้วแล้วจิตมันจะถูกปรุงแต่งให้มีอาการสว่างให้มีอาการเนี่ย รู้สึกซาบซึงในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปเองมันจะรับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้ามาเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพอจิตของเราผูกโยวกับสิ่งสักดิสิทธิ์จิตมันพลอยสักดิดตามนล้วโดยอาการที่จิตมีแต่อาการสรรเสริญไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นอาการนั้นมันจะสอดคล้องกันอย่างยิ่งอาการที่เราจะ เอามาใช้ต่อยอดเป็นการเจริญสติในพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นสอนอย่างที่สุดเนี่ยคือการทิ้งออกซึ่งความอยากซึ่งปัญหาแต่การส่วนมนของคนส่วนใหญ่มันถูกอยู่กับความคาดหวังหวังอยากได้โน่นหวังอยากได้นี่แม้กระทั่งหวังอยากได้ความสงบก็เป็นปัญหาชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นภวะปัญหา ถ้าหากว่าเรายังสวดมนต์อยู่ในอาการอยากได้อยากดีอยากมีอยา ก, ยากเป็นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวิธีการทางพุทธแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่เราเอาแค่ว่าอยากสรรเสริญอยากเปล่งเสียงสาธุการและมีความสุขคือให้คนอื่นให้เสียงสรรเสริญแก่คนอื่นไม่ได้จะเอาอะไรเข้าตัวเลยเนะี่ยมันเริ่มตอดคล้องแล้วกับความเป็นพุทธนี่อย่างตอนนี้พอมันเข้าใจนี่แค่เข้าใจอย่างเดียวนะจิตสว่างแล้ว พอมันสว่างขึ้นมาคือมันเหมือนกับพ้นจากไอ้ขอบเขตของความอยากได้นั่นอยากได้นี่มันมีความเป็นพูทขึ้นมานี่เวลาเขาเปรียบเทียบเขาถึงเปรียบเทียบจิตเป็นบัวบานเพราะมันเบิกบานเหมือนอาการของบัวบานเห็นไหมมันเหมือนเป็นอิสระมันเหมือนกับเราเราเจอตองป้า อยากจะขอเลียนถามอีกสักคำถามหนึ่งนะครับคือผมปฏิบัติแล้วก็ศึกษามาน้อยนะฮะที่ผ่านมานี่ก็ไม่รู้ว่าทำมาจนถึงทุกวันนี้และจนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่ามันถูกต้องรู้ว่าอย่างไรบ้างไม่ไม่ทราบครับพอพ อ, พอจิตมันสว่างขึ้นมาแล้วเราเห็นได้ว่านี่คือจิตที่มันที่มันเปิดที่มันเบิกบานขึ้นมานะเดี๋ยวจิตตรงนี้มันก็จะปิดมันจะไปอยากโน่อนอยางนี่อีกมันจะไปปรุงแต่งมีกิเลส กิเลสโน่นกิเลสนี่นี่ก็คือเรียกว่าเราจะได้เห็นภาวะปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆอย่าไปสอนในที่ผ่านมาคือถ้าไปสอนในที่ผ่านมาว่าเราทําถูกทําผิดมันจะไปคล้องไปติดไปกังวลอยู่ตรงนั้นแต่พอเราเริ่มจากตรงเนี้ยที่ว่าเออรู้จักจิตที่มันเปิดที่มันสว่างที่มันเบิกบานขึ้นมาเราเริ่มที่จะไปอะมองเปรียบเทียบเพราะนี่เดี๋ยวมันกลับ กลับไปปิดใหม่ไหมกลับไปมีความอยากได้นูน้นอยากได้นี่ใหม่ไหมเห็นอาการที่มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาของความปรุงแต่งของจิตนะอย่างนี้เรียกว่ามันมาถูกทางแล้วมาถูกทางแน่ๆนับตั้งแต่เก้านี้บอกที่ผ่านมาเนี่ยไปพูดถึงมันนะพอพูดถึงมันปุ๊บบอกผิดตรงไหนนี่ไปคล้องละไปจี้ตรงนั้นนะ่ยว่านี่นี่ผิดแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถบอกถูกตรงไหนมันรู้สึกเออมันฮึ่เขิมแ ล, แล้วก็ไปพยายามก๊อปปี้ไปพยายามสร้างไอ้ที่มันถูกขึ้นมาอีกทั้งทั้งที่มันยังไม่พร้อม ย, ยกตัวอย่างเช่นภาวะที่เป็นสมาธิส่วนใหญ่คนจะติดใจแล้วก็ไปพยายามที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยมันกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันกำลังอยู่ในภาวะคิดคิดนึกๆไม่พร้อมที่จะเป็นสมาธิ แต่ก็ไปพยายามทําให้เป็นสมาธินี่เรียกว่าเป็นการเอาของเก่ามาทําใหม่เป็นการเอาของที่เคยถูกมาทำให้มันกลายเป็นของผิดในปัจจุบันแต่เอาตรงนี้ดีกว่านะฮะยังอย่างตอนต้นชั่วโมงพอทำสมาธิตามผมไกด์เนี่ยมันยังมีความคิดนั่นคิดนี้อยู่มันยังคาดหวังอย่างโน้นคาดหวังอย่างนี้อยู่ แต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันหมดความคาดหวังมันกลายเป็นจิตอีกแบบหนึง่งที่รู้สึกว่าเป็นอิสระตอนที่ฟังเรื่องสวดโดยที่เราให้อย่างเดียวมันรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรคือมันเชื่อมันเชื่อในอมันศรัทธาในการไม่คาดหวังแต่เดิมเนี่ยของคุณเนี่ยจิตมันจะเป็นพวกศรัทธาในความคาดหวัง หวังได้นั่นหวังได้นี่ทําอะไรแล้วตั้งใจคือบางทีมันเป็นความตั้งใจที่ดีแต่หลายๆครั้งมันจะเอาเร็วเกินไปหรือบางครั้งมันเอาเกินตัวมากไปแต่ทีนี้พอเรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ได้ให้ตัวเองได้เดี๋ยวนี้คือจิตที่มันเป็นอิสระจากความอยากมันเปิดมันเบิกบานมันเป็นกุศลจิตมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดศรัทธาใหม่ขึ้นมา เออมันทำอย่างนี้เวลาสวดมนต์ไม่คาดหวังอะไรเลยนอกจากสวดให้มันเป่งเสียงให้มันมีความสุขสันเสริญคนอื่นไม่ได้เอาอะไรเข้าตัวเนี่ยมันจบที่จิตที่เป็นมหากุศนจิตจบที่จิตที่มันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเรียกความเบิกบานความสุขนะครับขอบขอบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่ซุค่ะก็ จริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้ามาเพราะว่าไม่มีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่แต่ก็จะเรียนว่าที่ผ่านมาสังเกตตัวเองยังไงนะคะสังเกตอยู่สข้อมันก็ดีขึ้นขึ้นงเยอะทําไมสังเกตว่าตัวเองแบบนั้นค่ะข้อแรกก็รู้สึกว่าสติก็ยังไม่มีกําลังคือความคิดเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็อามันไปก็เห็นว่าพี่ว่าเราคิดน้อยลงเยอะนะเอาเอาตรงนี้ก่อน คือพอคิดน้อยลงเนี่ยกำลังสติมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนคิดมากๆเนี่ยมันจะแยกไม่ออกมันจะตัดท่อนไม่ถูกว่าเว้นวักความคิดเมื่อไหร่แต่พอคิดน้อยลงมันเหมือนกับไอช่วงเว้นวความคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรกับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของอาการ ทางใจที่มันคิดน้อยนี่อย่างช่วงที่เกิดขึ้นช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนแบบว่าพ อ, อเรามีอารมณ์คิดแบบน้อยๆอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มันมันมันมั น, มนพีค ข, ขึ้นมามันมันคิดมากขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนแตกต่างไปอย่างเด่นชัดนึกออกใช่ไหม ตรงั้นเนะี่เราไม่ต้องตั้งสติมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาเองได้ว่าเนี่ยความคิดมันผิดปกติแต่ก่อนมันพลิกอยู่ตลอดเวลามันจับไม่ถูกว่าเว้นวักตอนไหนนี่ point ของการปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้นะเวลาที่เราจะสังเกตว่าก้าวหน้าขึ้นหรือว่าถอยหลังหรือว่าย่าอยู่กับที่เนี่ย อย่าไปดูตรงที่ว่า เ, เรายังพุงซ่านอยู่เหมือนเดิมพุงซ่านอยู่ตลอดเวลาดูด้วยว่าไอ้ความหนาแน่นของความพุงซ่านเนี่ยมันมากขึ้นเหนือน้อยลงถ้าเปรียบเทียบได้ว่าเออมันน้อยลงเนี่ยนะมันจะรู้สึกเลยว่าเออไอ้ความคิดเนี่ยมันแบ่งท่อนของมันเองแล้วก็มีจุดหนักจุดเบาให้สังเกตอย่างเด่นชัดนี่เรียกว่าความก้าวหน้าแล้วนี่เรียกว่าเป็นพัฒนาการ ทางธรรมชาติของจิตที่จเจริญส ต, ติมานี้เวลาที่เอาอีกจุดหนึ่งที่มันเข้มแข็งขึ้นแต่เดิมมีอารมณ์น้อยใจแต่เดิมมีอารมณ์อะไรที่มันมันคลุกรุนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้พอมันมีอารมณ์น้อยใจขึ้นมาเนี่ยมันมันมาแบบบูมหนึ่งคือมันมีอาการยืดเยอะไปพอสมควรแต่ไม่สามารถครอบงำเราได้ทั้งวันเหมือนแต่ก่อน มันจะยืดเยื้อไปแป๊บหนึ่งลากยาวไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะค่อยๆรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวบางทีมันจะยังเกรงเปลงบ้างมันจะยังฝืนๆบ้างคือเพราะว่ามันไม่ได้รู้อย่างเป็นธรรมชาติ อ, อ, อารมณ์น้อยใจอะไรเงี้ยนะแต่ประเด็นก็คือว่าพอมันผ่านอารมณ์ฝืนๆไปได้พักนึงเนี่ยจะรู้สึกว่าไ อ, อ้เนี่ยอารมณ์นั้นมันผ่านไปแล้วคือแต่สําหรับมุมมองของเราเนี่ยจะรู้สึกว่า ยังยังตอบไม่ผ่านแต่ในมุมมองของพี่ก็คือมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะก็อยากจะเล่าให้พี่ตูนฟังอีกเรื่องรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับตัวเองก็คือความไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันก็เลยยิ่งทำให้เกิดเกิดความไม่เกิดสติอะค่ะที่พี่บอกไงมันฝืนๆไงมัน<ฆ>ที่มีอาการลากยาวอะ แต่มันดีกว่าแต่ก่อนที่ว่าแต่ก่อนมันจะมีอาการเหมือนเถียงกับตัวเองแต่ตอนนี้ไม่ได้เถียงคือมันมีแค่อาการเหมือนหุ่นปั้นที่จมอยู่อาการลากยาวของอารมณ์แบบนั้นและพอมันมาสุดทางคือพูดง่ายๆว่ากำลังส่งของอารมณ์ลากแบบนั้นเนี่ยมันไปสุดทางของมันแล้วเนี่ยใจเราก็จะรู้สึกเหมือนกับหลุดออกมาคือมันไม่ได้หลุดพลุ่ออกมาเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง แต่มันจะรู้สึกสบายใจขึ้นมันจะรู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่จางไปแล้วเนี่ยน้อยลงอย่างนี้ต่อไปควรจะทำยังไงอยากขอคำนนสังเกตที่ตุนสังเกตความต่างที่ผ่านมาเราจะอยู่กับอาการคือเหมือนกับคนที่คนทั้งโลกที่คิดว่าลงทุนลงแรงกับอะไรแล้วเนี่ย มันต้องได้ผลออกมาเป็นรูปธรรมนะมีความแตกต่างที่ประเมินผลได้ชัดเจนเราทำงานวิจัยเราทำอะไรมาเนี่ยมันมันเคยชินอยู่กับแนวกาบอารมณ์แบบนั้นไงว่าทาแล้วต้องได้ไอ้นี่ทำแล้วมันไม่ได้คือมันไม่ได้มีผลแตกต่างแบบที่วัดกันได้คะแนน 50% ซ เจ็ดอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันจะยังติดอยู่กับความคุ้นหรือที่เป็นอารมณ์แบบเดิมๆติดกลิ่นอแบบเดิมๆแล้วมีอารมณ์ลากยาวอยู่บ้างแต่เราก็สามารถที่จะใส่ความสังเกตเข้าไปว่าแต่เดิมมันลากยาวไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้ลากยาวไปแล้วเนี่ยเราเห็นใช่ไหมมันมัน พอมันพอมันจางพอมันเริ่มจางลงไปเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงความแตกต่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตมันจะไม่เกิดการรวบรวมเข้ามาประมวลว่ามันเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาอย่างไงแต่ถ้าเราเก็บทุกเม็ดเราเห็นว่าเนี่ยในอาการลากยาวแบบนี้พอไปสุดที่อารมณ์หนึ่งมันรู้สึกเหมือนเป็นอิสระมากขึ้น หรือครั้งต่อมารู้สึกลากยาวนะแต่ไม่เป็นอิสระแบบแบบเก่าแต่มันก็จะไม่ไม่มีอาการปรุงแต่งในหัวมากมายเท่าเดิมอย่างเงี้ยหรือครั้งต่อมานะเม่เกิดอารมณ์กระทบปุ๊บน้อยใจวู บ, บนึงอ้ารู้รู้ตัวแลวเออนึกได้แล้วเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอารมณ์น้อยใจวูบหนึ่งเหมือนมีอะไรมาอัดอัดแน่น แล้วมันมันหายไปทันทีอย่างเงี้ยนะในแต่ละครั้งถ้าเราสังเกตเห็นความแตกต่างเหล่านี้มันจะเริ่มเข้าใจว่าการทำงานของสติที่แท้จริงไม่ใช่ไปลบล้างตัวตนเดิมไม่ใช่ไปถอนเอาภาวะทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นทิ้งไปจากตัวเราแต่ภาวะทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะค่อยๆแสดงความแตกต่างไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นปกติที่จะเห็นภาวะทั้งหลายเนี่ยมันแสดงความไม่เหมือนเดิมนี่ตัวนีน้ความเป็นปกติตัวนี้แหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริงเพราะถ้าเราได้ความก้าวหน้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะมันเหมือนก่าชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มคือได้แต่ตั้งหน้าตั้งตา ดูข้อแตกต่างไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตาคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะบรรลุธรรมทันทีเมื่อไหรมทท่มันจะเลิกฟุ้งซ่านทักทีเมื่อไหร่มันจะเลิกน้อยใจทักทีเมื่อไหร่มันจะเลิกนั่นเมื่อไหร่มันจะเลิกนี่ตัวคาดหวังนั้นมันจะหายไปเกลี้ยงเลยเหลือแต่ตัวเดียวหน้าที่เดียวสังเกตความแตกต่างนะขออภิตุนเรื่องเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะทําในรูปแบบแล้วก็ทราบว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ อย่างน้อยจะทำให้มันเกิดเกิดความสงบบ้างในบางเวลาแต่พยายามที่จะเจริญสติในระหว่างวันในที่ทำอยู่ตรงนี้ทำถูกไหมคะมันมีสมาธิมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันยังเกร็งเกล็งฝืนฝืนอยู่บ้างคือบางทีมันต้องบังคับตัวเองลองสังเกตตัวว่ า, าจะทำยังไงให้เจริญสติในระหว่างวันแล้วมันมีสภาพยอมรับตามจริงได้ เป็นธรรมชาติมากกว่านี้พีนะ่จำชื่อผิดว่าพึ่งวะนิ ก, นกเออใช่นิกมากับปังใช่ไหมอออโอเคคือถ้านิกอยู่ระหว่างวันแล้วรู้สึกว่ามันฝืนๆเก่งๆให้ยอมรับสภาพตอนนั้นมีอาการฝืนๆเกง่เกงๆมีความรู้สึกแข็งๆอยู่นะมันจะค่อยๆรู้ว่าเออเนี่ยแข็งๆ แ, แป๊บหนึ่งมันก็จะค่อยๆ ค, คืนกลับสู่ความเป็นปกติ แต่ก็ใช้ได้คือมันมันก็เป็นสมถะได้อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราทําอยู่นะรู้อยู่ระหว่างวันนี่แหละทั้งท้งที่ลืมตาจะเป็นเอรียบทก็ตามจะเป็นอย่างพอเรารู้เข้ามาที่เอรียบทเนี่ยสังเกตง่ายงบางทีเอรียบทนะั้นมันจะแข็งมันมันจะเหมือนขืนเขือนอยู่นิดนึงคือไม่ถึงกับเครียด น, นะไม่ได้ไม่ได้เปล่งไม่ได้อะไรแต่ว่ามันจะเขืนขืนอยู่นิดนึงหรือถ้ารู้ลมหายใจมันก็จะบังคับ มันจะบังคับลมอยู่นิดนึงไม่มากแต่สามารถที่จะเอาอาการแข็งๆหรือฝืนๆนั่นแนหะมาเป็นเครื่องมือจะเดินสติได้เราก็เห็นไปว่ามันยังแข็งๆอยู่นิดนึงแล้วมันก็จะกลับเข้าที่เข้าทางได้เองค่ะสวัสดีค่ะจะถามว่าไม่แน่ใจว่าเข้าใจคําว่าสว่างถูกไหมอะค่ะตอนที่สว่างเนี่ยนะเราสึกโลง่ง เหมือนเหมือนใจมันกว้างไปแ ต, แต่เดิมเนี่ยใจของเรามันจะหมกมุ่นขยุกขยุ่ยอ ย, อยู่ข้างในนึกออกไหม<ะ>ตอนที่มันรู้สึกว่าแคบแคบตอนที่มันรู้สึกว่ามืนมนืนั่นแหละตัวนั้นะเรียกว่าจิตครับแคบฟุ้งซ่าน<ะ>ของเรามันจะเป็นพวกที่มีโรคภายในมีโรคส่วนตัวอย<ะ>ากขี้อายแล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะให้คนเข้ามารู้จัก<ะ>อย่างเงี้ยเรียกว่าจิตที่ปิดตัวเองอยู่กับโลกภายใน พอรู้สึกว่าใจมันสบายของเราเนี่ยมันจะเริ่มจากรู้สึกใจสบาย ะ, ะความฟุงซ่านหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเนี่ยมันน้อยลงหรือไม่เหลือเล ย, นยเนี่ยตัวนี้เรียกว่าความสว่าง<ะ>ตอนที่เรารู้สึกสว่างมันจะเหมือนกับความโล่งนั้นเนี่มันทำให้เราเมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้นแต่เดิม มันเหมือนขาดความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมันกลัวไปหมดกลัวคนเขาจะมารู้จักเรากลัวคนเขาจะคิดว่าเราคิดอย่างนี้มันมันอายความคิดตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่พอใจมันเปิดใจมันสบายเนี่ยความกลัวตรงนี้มันเหมือนหายไปเฉยๆเมื่อว่าเออตอนนี้เราคิดดีอยู่แน่ๆเราเป็นปกติอยู่แน่ๆ ไอ้ความรู้สึกเป็นปกติอยู่แน่แแล้วคิดดีอยู่แน่แนตอนนั้นแหละที่เรียกว่ากุศลจิตนิยามของกุศลจิตคือจิตที่มีความสว่างแต่อย่าไปมองว่ามันจะต้องสว่างแบบไอนีออนแบบนี้หรือว่าสว่างจ้าแบบแสงอาทิตย์แต่มันมีความรู้สึกว่าข้างในมันไม่มืดมันเป็นตรงกันข้ามกับตอนที่เราหมกมุ่นอยู่กับข้างในแล้วรู้สึกว่าคับแคบรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในคุกเล็กๆ กาเป็นมาตลอดเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองติดคุกอยู่แต่พอเดินผ่านประตูกลงมาได้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนมาเจอทุ่งลง่งเจอท้องฟ้า<ะ>นั่นแหละคือความสว่างนิยามความสว่างไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนตาเห็นแสงแต่เป็นความรู้สึกสบายใจโล่งใจนั่นแหละความสว่างะนะ แล้วที่ทำอยู่ออถูกไหมคะหรือต้องแก้ถ้ามันออกจากคุกได้ถูกแน่นอนนี่สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือให้เห็นด้วยการยอมรับตามจริงว่ามันอยู่ที่ล่งอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่กว้างอย่างเดียวไม่ได้สว่างอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันก็กลับไปมืดอีกบางทีถูกว่าอะไรนิดนึงมันจะรู้สึกมันจะเซนที่ตีบมากมันจะกลับไปหดตัวจิตหดตัว เหมือนกับเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนกับไปกลัวกับไปขี้ขาดกลับไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยเนี่ยเราก็เห็นเปรียบเทียบว่าตอนที่จิตมันแคบกับ ต, ตอนที่จิตมันกว้างความรู้สึกมันต่างกันยังไงเปรียบเทียบไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยทั้งจิตกว้างจิตแคบไม่ใช่จิตของเรามันเป็นแค่ ภาวะทางธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งด้วยของกระทบที่มันไม่ดีกับของกระทบที่มันดีหรือว่าเกิดจากการปรุงแต่งทางความคิดทางปัญญาภายในถ้าคิดดีมันก็โล่งมันก็กว้างถ้าคิดไม่ดีมันกลับมาแคบใหม่ได้แต่เราเห็นไหมมันเหมือนกับบางทีนะเราจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่า ก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่ๆมันเหมือนกับผ่านเส้นอะไรเส้นหนึ่งมาเฉยๆอยู่ๆจิตมันก็เปิดขึ้นมาคือเราก็รู้สึกว่าเราทาไปตามปกตินั่นแหละเราไม่ได้ใช้ความพยายามมากกว่าเดิมแต่คล้ายๆพอข้ามเส้นมาแล้วมันสบายขึ้นในตรงนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์เป็นหลักฐานของ เรื่องแรงส่งของวิบากเก่านะวิบากเก่าเนี่ยทำให้คนเขากลัวทําให้คนเขาหดทําให้คนเขาเไม่กล้ามาเยอะแล้วพอวิบากนั้นมันเริ่มอ่อนกําลังลงถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกสบายขึ้นมาเฉยเหมือนหมดจากตรงนั้นแล้วก็มองเป็นความน่ากลัวของกรรมและวิบากเราลืมไปหมดแล้วแหล ะ, ละเราเคยไปทําอะไรมา รู้แต่ว่ามันมีผลมันมันมีอิทธิพลกับวิธีคิดของเราได้บางคนนะวิบากกรรมไม่ได้เล่นงานด้วยเหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นเหตุการณ์ภายในเหตุการณ์ทางความคิดเป็นปรากฏการณ์ทางจิตยังไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้แต่ว่าเกิดมาจิตทธธุดมันมันไม่อยากจะติดต่อกับใคร มันรู้สึกว่ามีคนไว้ใจในชีวิตเนี่ยแค่ไม่กี่คนหรือบางทีรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะคุยกับตัวเองแค่คนเดียวไม่อยากจะคุยกับใครเลยแต่เนี้ยยังถ้าจิตเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าคุยกับใครก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเราตั้งใจไว้นับแต่ น, นี้จนตายเราจะไม่ขู่เข็นใครเราจะไม่ทาให้ใครกลัวเราจะไม่ทาให ต้องอับอายขายหน้านะด้วยความตั้งใจดีๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเสริมเข้ากันกับการเจริญสติสวัส <ขอ S 1> ดีค่ ะ, คะหนูก็ปฏิบัติสมาธิมาได้สักพักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมนเหมือ น, นกับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเวลามันมีปัญหาก็เพราะว่ากรรมเก่าใช่ไหก็ทำให้เรา นึกถึงจุดนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าออสบายถ้าเราคิดว่าตรงนี้คือกรรมเก่าของเราเราก็พยายามที่ว่าจะไม่สร้างกรรมไม่ดีเราก็สร้างแต่กรรมดีใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งพ่อแม่ของเราก็จะคาดหวังในตัวเราว่าเราจะต้องดีขึ้นนะอะไรพวกนี้อ่ะซึ่งเราก็บางครั้งเราก็นั่งสมาธิเราก็พยายาม ที่จะเอาบุญให้พ่อแม่ตรงนี้เขาเขาจะรับรู้ได้ไหมคะไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่บอกเขาจะไปรู้ได้ยังไงบางทีอาจจะตอนที่เรากำลังมีความสุขจริงๆจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญส ต, ติหรือว่าไปทาบุญอะไรที่ไหนมากุศลจิตมันมีความกว้างมากบุญมันมีความใหญ่มากมันก็มีอิทธิพลได้เหมือนกันเวลาที่เราอธิษฐานขอให้บุญนี้ได้กับพ่อแม่ด้วยเนี่ยนะ มันจะไปในลักษณะของพลังกระทบที่มีความสว่างที่มีความเยือกเย็นที่มันมีความสุขเขาอาจจะนึกถึงเราขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้สึกดีกับเราขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วก็ลืมไม่รู้ว่านั่นคืออะไรแต่ถ้าเราบอกว่าอ่าจารณ์นยนะไปทาบุญมาอย่างนี้ไปเจริญสติมาอย่างนี้นะรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นเยอะเลยเออเนี่ยจากไอ้ที่เคยคิดแย่ๆกับพ่อแม่หนูขอโทษนะ ขอขอขอหัหสิ่ขอกราบเท้าขออภัยถถึงแม้ว่าอตามานะของเราจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันสะเทือนเข้าไปถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเอ้ยลูกเรามันต่างไปเว้ยอย่างที่มันเคยเถียงอย่างที่มันเคยนะแบบพูดแล้วไม่ฟังหรือบางทีเขาจะมีเหตุผลหรือไม่เหตมีเหตุผลก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่จะมองเสมอว่าถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเราหัวดือ้อ ต่อให้เราเหตุผลของเราเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยแต่ถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่าเราเถียงเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเราผิดทันทีแล้วแต่พอวันหนึ่งบอกขอโหวสีข อ, ขอกราบเท้ารู้สึกเออไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นบุญน่ยมันเกิดขึ้นในใจเขาด้วยอาการลดอัตรามาแน่ของเราเป็นบุญแล้วบุญนั้นมันได้กับเขาทันทีมันรู้สึกดีกับเราไงมันรู้สึกว่าลูกเราเปลี่ยนไป นี่เป็นตัวอย่างคือไม่ใช่ใช้วิธีลึกลับอย่างเดียวนะยังขอให้พ่อแม่อย่างนั้นขอให้พ่อแม่อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วนึกเอาในจินตนาการว่าเขาจะต่างไปนี่มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาที่จับต้องได้เรื่องของพุทธศาสนาที่จับต้องได้คือต้องพูดต้องบอกกันให้เข้าใจถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นกุศล เข้าหูเขาคนเนี่ยนะคือถ้าคนเราเานียจำไม่ยังนะถ้าเป็นคนฟังอะไรเข้าใจยากหรือว่ารับบุญรับกุศลผ่านหูยากนะจิตเนี่ยมันยิ่งรับส่วนบุญส่วนกุศลยากกว่านั้นสิบเท่าร้อยเท่าอย่างบางทีคนชอบนึกว่าเดี๋ยวตายไปแล้วก็อุทิศบนอุทิศกุศลไปให้จริงๆมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะ วิบากของคนเนี่ยเวลาที่ปิดกั้นบุญปิดกั้นกุศลถ้าหากว่าราหวางมีชีวิตเนี่ยใครมาบอกบุญไม่รับใครมาพูดดีๆ ด, ด้วยไม่เอาอยากระโชคโ้องห้างท่าเดียวหรือว่าจะมีแต่เย็นมาร้อนไปร้อนมายิ่งร้อนกลับติบเท่าแบบนี้เนี่ยถ้าตายไปมันยิ่งรับยากยากมากแต่ถ้าหากว่าเราละลายพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการยอมยอมลดอัตตามานะตัวเองด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาว่าจะละลายอัตตามานะของท่านลงวันละนิดวันละนิดแค่ฟังไปเนี่ยเห็นไหมใจเราเยืองเย็นลงตั้งเยอะแล้วมนันรู้สึกเออเห็นทางสว่างพอใจเราสว่างจำไหมนะ สว่างจากการที่ตั้งใจจะลดอัตรามันะตัวเองไม่ว่าเราจะสําคัญว่าตัวเองถูกหรือผิดก็แล้วแต่มันจะละลายพฤติกรรมอะไรบางอย่างลงได้ทีละนิดเสมอในอฝ่ายหนึ่งนะแล้วถ้าเราอดทนมากพอใช้เวลาต่อเนื่องเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราสามารถอธิษฐานได้คืออธิษฐานจากการที่ เราได้สั่งสมบุญมาแล้วไม่ใช่อยู่ๆไปทำสังฆทานหรือว่าสวนมนต์แค่แป๊บๆน่าจะเอาให้ได้อย่างใจแต่อธิษฐานจากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาความเนี่ยเยือกเย็นตรงเนี้ยด้วยความสว่างอย่างนี้เนี่ยไม่คิดนะคิดถึงใจของพวกท่านที่อ่อนโยนลงมันมีกำลังนะไปทำให้เย็นลงได้จริงเพราะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงมันมีอานาจมันมีพลัง มันมีพลังของความเปลี่ยนแปลงอยู่เราเปลี่ยนตัวเองได้แล้วมันมีพลังไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ใช้อานาจจิตกันอย่างเดียวมันใช้พลังในการพูดด้วยประกอบด้วยตามายะนะของผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่จำไว้นะว่าพ่อแม่จะไม่ฟังลูกจนกว่าจะรู้สึกว่าลูกเนี่ยยอมตัวเองแล้วก็มีดีกว่าตัวเอง มันมีสองข้อนะยอมตัวเองแล้วก็มีดีกว่าตัวเองถ้าตาบใดเรายังขึ้นไปแล้วมีท่าทีแบบว่าเดี๋ยวจะขอให้พ่อแม่เปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดเนี่ยไม่มีทางแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปได้ไ ด, ด้วยตัวเองแล้วแล้วเราขอโทษหรือว่าขอเอาสิกรรมนะขอกราบเท้านะนั้นน่ะมีพลังแล้วเออแล้วก็อีกคาถามหนึ่งนะคะคือสมมต คนประสบปัญหาในชีวิตก็คือกรรมเก่าใช่ไหมฮะแต่ว่าแทนที่เราจะก้มหน้าก้มตายอมรับกรรมเก่าเรามีวิธีการอย่างไรที่แบบทําให้มันดีขึ้นคะ ล, ลืมเรื่องกรรมไปซะแล้วก็คิดว่าปัญหาเฉพาะหน้ามาเราแก้แก้ไปด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือตั้งจิตให้ตัวเองเป็นกุศลก่อนเริ่มต้นขึ้นมาถ้าจิตเป็นกุศลมันพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เป็นกุศล แต่ถ้าหากว่าตั้งต้นขึ้นมาจิตเป็นอกุศลมันพร้อมจะสวนกลับไปนะแทนที่จะแก้ปัญหามันกลายเป็นเพิ่มปัญหาแทนที่จะลดปัญหานะมันกลายเป็นเหมือนกับไปทําให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามออกไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตเราถ้าหากว่าเราสํารวจเข้ามาแล้วเวลาที่มีอะไรกระทบเนี่ย จิตมันเป็นกุศล น, นั่นขอให้แน่ใจว่าเราสร้างกรรมใหม่ที่มันเป็นไปนในทางดีถึงแม้ว่าผลออกมาผลลัพธ์ออกมามันจะไม่ดีนะแต่มันมีเชื้อของความดีเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันมีเชื้อของการที่จะต้องไปพบอุปสรรคหรือปัญหาน้อยลงแล้วขอบคุณค่ะคือเขาเออกมาปฏิเสธแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าด้ก็พี่บอกแล้วไม่อย่า คือพอเราเราตั้งความเชื่ออะไรไปกันแล้วแต่มันจะคำว่าใช่คำว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาปรุงแต่งใจเราเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่พยากรไม่ได้ว่ามันมันใช่จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือการเรียนรู้ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนว่าอย่าไปเชื่อ เวลาที่มันบอกว่าใช่เนะี่ยมันเป็นอุปทานได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นอดีตไปอะค่ะแล้วน่าเขาเข้าใจธรรมะขั้นสูงนะนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วเนะี่ยคือคําตอบของหนูเนี่ยมันมันเคยเป็นคําสัญญาหรือว่ามันเป็นมูคะไปแล้วหรือยังไงหรือว่าเป็นวจิกกรรมอยู่หรือเปล่าคะขอให้มองว่า อะไรที่มันเป็นโมขะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงข้อตกลงในอดีตและข้อตกลงในปัจจุบันคือมันไม่ใช่ว่าข้อตกลงในอดีตเนี่ยมันจะต้องผูกมัดเป็นอะไรถาวรเป็นอมะตะไม่มีอะไรถาวรอันนี้คือการเรียนรู้ของเราตั้งแต่ต้นชีวิตว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงนะคำสัญญาจะบริบูรณ์ได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเต็มใจ แล้วก็มีการสร้างทำอะไรด้วยกันเพื่อที่จะรักษาให้สัญญานั้นคงอยู่แต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ไม่ยอมรับนั่นคือข้อสัญญาที่ไปผูกมัดอะไรเขาเราก็ถือว่ามันเป็นโมฆะได้มันไม่มันไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรลั่นวาจาอะไรไปแล้วเนี่ยมันผูกมัดตัวเราไปตลอดมันไม่มีแบบนั้นหรอกนะมันขึ้นอยู่กับ อะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคนสองคนที่จะทำข้อตกลงกันแม้แต่ในทางกฎหมายเนี่ยข้อสัญญาผูกมัดกันแน่นเหนียวแค่ไหนก็บอกโอเคมีเงื่อนไขใหม่ได้ไหม้ะยกเลิกต่างไฟต่างพอใจโอเคมันก็จบฉันได้ฉันนั้นภาวะผูกมัดในทางธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่เงื่อนที่จะต้องผูกเราแก้มันซะ แล้วไม่มีใครเดือดร้อนนั่นก็คือจบแล้วนะแล้วคือหลังจากนั้ น, นะคะ่ะเขาก็าพูดลอยๆออกมาว่าแบบอย่าไปอีกแล้วอะคะ่ะแล้วหนูก็เลนไปอันนี้ก็เป็นกรรมใหม่ที่กรรมใหม่หรือว่าเป็นสัญญาใหม่น้อง อ, อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่เพราะน้องจะตรัสสอนละเรื่องเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรเนี่ยนะเ อ, อให้คิดเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน เรื่องของเรื่องคือความสับสนทางใจของทั้งคู่มันเริ่มต้นประเด็นจากตรงนี้เรามองว่าถ้าเริ่มต้นจากความสับสนมันไม่มีทางลงเอย่ยด้วยความกระจ่างด้วยความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วยความเข้าใจมันถึงจะลงเอย่ยด้วยความรู้สึกว่าโอเค ทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างไอ้ที่มันติดค้างอยู่เพราะว่าสับสนนวยกันทั้งคู่มันเริ่มต้นด้วยความสับสนและดําเนินไปด้วยความสับสนแต่นี้พอเนี่ยเรามาพูดกันให้เกิดการรีเซตใหม่ไปเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าอะไรอะไรมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สร้างร่วมกันเรื่องของคนสองคน มันต้องสร้างร่วมกันมันต้องให้ความร่วมมือกันทีนี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือหรือทั้งสองฝ่ายสับสนทั้งคู่มันก็เหมือนกับอยู่ในความฝันที่ไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนจะเอาเฉพาะตรงนั้นเนี่ยที่มันกำลังรู้สึกมีประสบการณ์อยู่ฉากนั้นฉากหนึงน่งหนึ่งฉากหนึง่งหนึ่งอยากจะพูดอย่างนี้ก็พูดพูดพูดไปอีกฉากหนึง่งลืมไปหมดนะมันรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งแล้ว มันก็กลายเป็นคนละเรื่องแล้มืนมันเหมือนฝันคนละครั้งละเนี่ยตอนนี้เราเหมือนก็นอยู่ในความฝันคือมันจับต้องอะไรที่มันเป็นเป็นจริงไม่ถูกสิ่งที่จะจับต้องเป็นจริงได้นะมันไม่ใช่การพูดคุยกันทางเน็ต <c oughs> แล้วก็จินตนาการเอาต่างคนต่างจินตนาการค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดหนูลบคำตอบไป มันจะทำให้เรื่องมันหนักขึ้นหรื อ, รอว่ายังจะค้างๆเอาไว้อย่างนั้นอยู่เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่อยู่ที่เราจะทำอะไรกัสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับวิธีคิดซึ่งมันเป็นนามธรรมวิธีคิดของเรามันยังไม่มีสติวิธีคิดของเราเป็นวิธีคิดแบบคนที่ฝันไปเรื่อยมันเหมือนกับคนที่ยังอยู่ในตกอยู่ในความฝัน ฉากนึงมันอยากจะพูดอย่างนี้มันอยากจะคิดอย่างนี้อีกฉากหนึ่งไม่เอาละมันอยากจะยูเทิร์นมันกลายเป็นอีกแบบหนึง่งต่อไปนะคนทางเน็ตเนี่ยคบเป็นเพื่อนอยากคิดเป็นอื่นถ้าจะจิตแบบนี้นะถ้าจะคบอะไรกับใครเนี่ยให้คบให้ที่มันอยู่บนดินมันเห็นหน้าก่อนแล้วนะ อยตรงั้นแปลว่าตอนนี้หนูเขาก็คือไม่มีอะไรกันแล้วหรือไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเราเราอย่าอยู่ในความฝันนี่คือสิ่งที่พี่พูดแต่แล้วหนูพยายามแล้วคือแบบจะทําใจอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับมันมีอะไรสักนิดหนึ่งมันมันลังหนูตลอดเวลาว่ามันตัดไม่ได้เข้าใจเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละตอนที่เราอยู่ในความฝันเนี่ยไม่มีใครตัดความฝันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทึกทักว่ามันเป็นฝันดีทุกคนนะทุกคนในโลกถ้าทึกทักว่าอะไรเป็นฝันดีมันจะไม่มีความสามารถจะตัดได้ฝันนั้นมันจะยื้อเราไปเรื่อยดึงเราไปเรื่อยลากเราไปเรื่อยแต่ถ้าเรารู้เราตระหนักว่านั่นคือความฝันมันจะใจมันจะถอนได้เองเหมือนกับคนที่ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าฝันมันผ่านไปแล้ว ยื้อไปมันก็คือความฝันที่มันหายไปแล้วนะมันเหมือนกับเสียดายดูดูเข้ามาที่ใจไอ้ความเสียดายอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ต่างจากความพยายามยื้อความฝันอโอเคเดี๋ยวต้อ ง, ต, องต้องเริ่มแล้วต้องเดี๋ยวใกล้จะปิดแล้วจะ้ะคือข้างในมันร้องไห้คือให้จะให้ดูยังไงว่ามันเป็นอารมณ์แบบไหนคะฝึกสมาธิแบบที่พี่บอกตอนเนี้พี่รู้ว่าจิตของเราไม่พร้อมจะฝึกสมาธิหรอก เพราะพ อ, พอนั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมาเป็นความฝันนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่หาอะไรมาแทนที่ความฝันนั้นเลยที่มันเป็นความจริงไม่เอาความจริงมาแทนที่ความฝันบ้างเลยความฝันนั้นมันจะก่อกินเราทั้งชีวิตไปตลอดไม่มีอะไรที่มันจะมาดึงตัวเรา ให้ออกจากความฝันได้ถ้าหากว่าเราไม่หาความจริงมาแทนที่แล้วความจริงที่มันสมบูรณ์ที่สุดคือลมหายใจของเราเองมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยสังเกตเพราะมันดูเหมือนไม่น่าพิสมัยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับความจริงไปเรื่อยๆแล้วจิตของเราเป็นปกติมากขึ้นออกจากความฝันได้เราจะพบว่าลมหายใจนี่แหละมันน่าพิสมัยที่สุดในโลก แล้วที่หนูดูจิตดูกายอยู่ค่ะมันดูลมอย่างเงี้ยค่ะคือมันถูกต้องไหมคะมันมีถูกบ้างไหมคะตอนที่เรารู้ว่ามันหายใจเข้าหายใจออกมันก็ถูกเลยแต่พอเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันมีอาการดั้มร้องแล้วก็ตามอาการดั้มร้องนั้นไปนั่นแหละมันผิดแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเห็นอาการดั้มร้องว่ามันเกิดขึ้นที่ลมหายใจนี้แล้วลมหายใจต่อมาอาการดั้มร้องนั้นมันทวีตัวขึ้นมันกลายเป็นร้องไห้ไปเลย หรือว่ามันกลายเป็นลดระดับลงแค่รู้สึกเหมือนกับซึมๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารู้อาการนั้มร้องอย่างถูกต้องถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของอาการนั้มร้องนั่นถูกถ้าเห็นแค่อาการนั้มร้องนั่นผิดนะต้องเห็นมันต่างกันด้วยใช่ไหมคะสังเกตไม่ใช่ตั้งใจให้มันต่างนะแต่และลมหายใจมันจะต่างไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราแค่สังเกต คือวิธีทำใจก็คือดูความจริงยูลมหายใจใ<ช>แล้ว<ช>วันหนึ่งมันก็จะออกไปเองใช่ไหมคะใช่จ้ะขอบคุณค่ะกราบสวัสดีค่ะคือคุณดังตินเคยแนะนำให้หนูรู้สึกตัวเวลาที่ใจมันกำลังจะอินกับงานนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูดูไม่ทันหนูจะดูทันแต่ความโกรธเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูกายเวลาที่ เพื่อนไหวไปห้องน้าไปทานน้ำส่วนเรื่องทำในรูปแบบอะค่ ะ, ะหนูจะใช้วิธีดูลมหายใจแต่ว่าหนูจะเดินจงกรมไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันจะซึมก็เลยอยากจ ะ, ะให้คุณนักดินให้คาแนะนำในการปฏิบัติด้วยค่ะมันก็แปลกนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมันเหมือนพร้อมที่จะดีอยู่แล้วพร้อมที่จะปฏิบัติอยู่แล้วจิตมันเป็นจิตแบบเปิดพร้อมที่จะเปิด แต่การที่เราว่ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความเคยชินที่สั่งสมมาแบบใหม่นะพูดง่ายๆว่าของเดิมเราเนี่ยมันขัดแย้งกันแับตอนนี้กรรมใหม่ของเราคือสั่งสมในแบบที่มันผิดสะสมไปแล้วมันเกิดความพุ้งซ่านสะสมไปแล้วมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ากินเล็กกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะบอกตัวเองนิดนึงว่า จิตของบอกตัวเองอย่างนี้นะว่าจิตของเราโดยเดิมมันมีทุนมันมันพร้อมที่จะเป็นสติมันพร้อมที่จะดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักไอ้นี่มันเหมือนกับเราพยายามไงพยายามมากพยายามที่จะปฏิบัติพยายามที่จะหาทางที่จะไปให้ถึงจุดที่มันถูกต้อง หยุดที่มันดีซึ่งความพยายามตรงนั้นเนี่ยบางทีมันมาในรูปของความคิดฟุง้งซ่านหาวิธีหาอุบายนึกออกไหมอย่างแทนที่มันจะรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหนามันจะไปพยายามหารูปแบบที่มันเป็นอุบายการปฏิบัติคือไปคิดหาวิธีหรือไปพยายามศึกษา มากมากกว่าที่จะรับรู้อะไรเข้าไปตรงๆอย่างตอนนี้น้องสามารถที่จะรับรู้ตรงๆได้ว่าใจของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเหมือนกับฟังพี่พูดได้สบายๆแต่อีกครึ่งหนึ่งมันคล้ายๆประมวลผลอยู่มันประมวลอยู่ตลอดความนิสัยของเราในการทำงานมันชอบประมวลเราคิดว่าทุกอย่างเสร็จได้ในหัวเรา นี่ตรงนั้นแหละที่มันจะไม่ได้ปฏิบัติสักทีมันมัวแต่ประมวลแล้วก็คิดหาวิธีคิดหาอุบายหรือไม่ก็ไปพยายามศึกษานี้พร้อยของพี่ก็คือว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยข้างในตอนเนี้ใจนึงมันนิ่ ง, งอีกใจหนึ่งมาปร ะ, ประมวลอยู่เราแค่รับรู้ไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนอาการประมวลเนี่ยมันถูกรับรู้ที่เราพยายามหน้าเนี่ยคือ คือการรับรู้ว่ามีอาการประมวลอยู่เห็นไหมอาการประมวลเนี่ยมันยังไม่หยุดนะแต่เราไม่ได้คิดนะคือเราไม่ได้ตั้งใจคิดใช่ค่ะแต่มันเหมือนยังยังมีอาการหมุนอยู่ใช่ค่ะตอนนี้หยุดละเ <c oughs> ข็นอาการหยุดประมวนไหมเห็นค่ ะ, ะแค่นี้เองประเด็นคือความเคยชินของเราอะมันชินอยู่อาการประมวลไม่เลิกนี้ตั้งต้นถามตัวเอง ว่าตอนที่มันหยุดประมวลเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นไหมมันจะรู้สึกว่ามีความโปล่งโล่งขึ้นอย่างตอนนี้มันมันกลับมาหมนนุนอีกล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันหนักกว่าหนักกว่าตอนที่ไม่ประมวลเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนคือคือแทนที่จะไปดูเข้าไปตรงๆว่ามันประมวลหรือไม่ประมวลเอาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น ตอนที่มันคิดคิดคิดคิดคิดเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับอึดอัดอยู่เล็กๆแต่พอมันเลิกคิดมันเห็นความคิดและหยุดคิดได้มันจะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นอย่างเงี้ยมันพยายามคิดถึงภาวะหยุดคิดนี่ก็คือความคิดอย่างหนึ่งคือเราไปพยายามล็อกแก่ล็อกอยู่กับความไม่คิดซึ่งซึ่งพอมันล็อกอยู่อย่างเงี้เนี่ย มันไม่ใช่แล้วมันเป็นการตั้งใจสร้างตั้งใจปั้นภาวะอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราแค่สังเกตและยอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันคิดอยู่มันประมวลอยู่เมื่อกี้ตอนที่มันหยุดคิดได้เพราะเรายอมรับไงยอมรับว่ามันประมวลอยู่เนี่ยตอนนี้มันก็ยังหมุนอยู่คือคือพอเรายิ้มเนี่ยเห็นไหมมันพักนิดหนึ่งมันเบนวคนิดหนึ่งใช่ค่ะเห็นไหมตอนนี้มันสบายขึ้น มันมีความสุขมากขึ้นสังเกตแค่ตรงนี้ก็ได้สังเกตความต่างตรงที่ว่ามันมีความสุขมากขึ้นแลวพอมันกลับมาคิดเราก็แค่ยอมรับตามจริงแปลว่ามันอึนอดอัดมันจะได้มีจุดสังเกตชัดๆว่าจะดูตรงไหนอย่างนี้ก็คือหนูควรจะสังเกตแบบนี้เวลาที่หนูนั่งสมาธิเหมือนกันใ ช, ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลานั่งสมาธิพอรู้สึกว่าเริ่มคิดก็จะ กลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้นค่ะก็ให้สังเกตไปว่ามันเกิดความอึดอัดแล้วก็มีหลายครั้งมากที่รู้สึกว่ามันมีความแน่นเกิดขึ้นในหน้าอก ท, ทั้งที่ยังคิดอยู่ยังเผลอคิดอยู่ไม่ได้ตั้งใจดูลมหายใจมันเผลอแต่มันมันมีความแน่นอย่นนอางตอนเนี่ยวันนี้ีน่ก็นือคือต้องปึกที่จะยอมรับความอึดอัดนั้นเพื่อ <S 2> <S 2> ที่จะให้เห็นว่าความอึดอัดนนมันไม่เท่าเดิม คือไม่งั้นถ้าเราอึดอัดแล้วเราเป็นทุกข์ไปกับมันตรงนี้นความอึดอัดมันก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ไม่ไปถึงไหนสักทีแต่ถ้าเรายอมรับอันเนี้ยอึด อ, อัดอึดอัดเท่านี้จะดูหรือไม่ดูลมหายใจก็ตามมันจะเห็นว่าต่อมาแป๊บๆเนี่ยความอึดอัดมันก็จะค่อยๆแตกต่างไปมันอาจจะคลายตัวหรืออาจจะอึดอัดมากขึ้นก็ได้แต่ ประเด็นสำคัญคือเราได้เห็นว่าความอึดอัดมันต่างไปให้ดูนะขอบคุณค่ะขอเข้าประเด็นเลยนะคะว่าอยากจะให้พี่ตุลช่วยแนะนำแนวทางในการเจริญสติในระหว่างวันนะคะว่ารูปแบบไหนหรือว่าเอาเครื่องมืออะไรที่แบบจะเหมาะสมกับตัวเราอะค่ะคือของเรามัน คืึอยู่ครึ่งครงกลางกลาระหว่างเฉยจะมีสติตื่นตัวนะมันจะเฉยก็ไม่ใช่จะตื่นตัวก็ไม่เชิงพอจะเข้าใจไหมว่าพี่พูดถึงยังไงมันมันเหมือนเข้าใจค่ะของเราเนี่ยถ้าจะให้นิยามว่าเฉยก็ไม่ใช่มันไม่เฉยตัทีเดียวมันก็พยายามทำโน้นทำนี่แต่จย่าบอกว่ามันมีความตื่นตัวเนี่ย มันเหมือนกันในตัวของเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดมันไม่ได้ตื่นตัวทีเดียวมันไม่ได้ขยันมันไม่ได้กระตือรือร้อนเต็มที่นะนั้นเกิดจากการที่ว่าเราไม่ยอมเฉยเรามีความกระตือหรืออยากจะมีความกระตือรือร้อนที่จะทำนั่นทานี่ทั้งความหมายทั้งงานทั้งโลก ท, ทั้งทางธรรมอะไรแบบ น, นี้นะพูดง่ายๆว่าโดยพื้นนั่งเดิมเนี่ยมันเฉยอยู่ แต่มันไม่ยอมใจมันไม่ยอมที่จะเฉยมันเลยมีอาการครึ้งครึ้งกลางกแบบนี้ถ้าเอาคมแนะนำแบบที่ว่าอยากก้าวหน้าใน7วันหรือหนึ่งเดือนนะใช่ค่ะต้องเล่นกีฬาคือมันไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องว่าเราจะมีรูปแบบวิธีคิดในการทำงานอย่างยังไงนะ มันเหมือนขาดการออกกําลังกายอะขาดการเล่นกีฬาถ้าจิตแบบเราถ้าเล่นกีฬาเนี่ยมันถึงจะตื่นตัวขึ้นมาได้จริงๆวิธีอื่นเราลองมาหมดแล้วเหมือนเราทำโน่นทํานี่พยายามแบบที่จะปลุกตัวเองให้มันตื่นตัวอะไรขึ้นมาแต่มันไม่จริงคือร่างกายเนี่ยมันเหมือนจะกดไว้ มันเหมือนมีความเฉยชาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ยอมแค่เราไม่ยอมเราเราจะทำโน่นทำนี่พอมันจะเฉยขึ้นมาทีเราก็คิดจะทำงานเล็กทำงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นมันไม่แรงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นๆๆที่แท้จริงพออยของพี่เลยว่าเราต้องถ้าอยากเอาให้ได้ใน7วันหรือ1เดือนนะต้องเล่นกีฬาทุกวัน ให้เว้นได้พักได้หนึ่งฮอลิเดย์นะตอนหนึ่งสัปดาห์เริ่มมาบ้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบสองสาวันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะเพิ่งเริ่มมาสองอาทิตย์เนี่ยเล่นอะไรก็ไปเดินแล้วก็ออกกำลังกายใช้เครื่องเล่นนะพี่พูดถึงเล่นกีฬาอย่างเช่นแบดมินตันอย่างเช่นอะไรที่มันได้เหงื่อคือแค่เดินเนี่ยไม่ได้มันมันน้อยเกินไป เล่นปิงปองเล่นอะไรที่มันต้องใช้ความไวนิดหนึง่งคือถึงจะสวนกับไอความต้องการโดยพื้นฐานของเรานะอยากจะทำอะไรเรียบๆง่ายๆเนี่ยลองดูไอที่มันจะกระตุ้นมีสิ่งกระตุ้นกีฬามีหลายประเภทประเภทที่ทำให้เราติดอยู่อาการจ้องจ้องจดจดจ้องๆก็มีบางประเภทเนี่ยมันต้องมันกระตุ้นความไวของเรา เราจะรู้ตัวว่าเรามีความสามารถที่จะมีตั ก, กยภาพที่จะไวได้มากกว่าที่เราคิดนะถ้าถ้าเราเลินกะอะไรที่มันไวนิดนึงบางทีอยู่ในกรุงเทพมันหายากอะ่ะนะกีฬาที่จะไปเล่นได้ทุกวันแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดความไวแต่นี่เราตั้งโจทย์ไงมันเหมือนใจเราแบบอยากได้ภายในเจ็ดวันภายในหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเห็นผลนะ พี่ก็เลยบอกว่านี่คือคำตอบแต่พี่ไม่รู้นะหาโต๊ะปิมปองให้เราไม่ได้นะมันคือคือเราต้องไปหาเอาเองมันบางบางทีอะ่ะคือแม้แต่พี่เองถ้าพี่จะเล่นอะไรมันก็ต้องหาพื้นที่เหมือนกันแต่ถ้าทำได้มันก็คุ้มอะ่เะรเราจะรู้สึกเราจะฝึกเลยว่า ศักยภาพข้างในของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตื่นตัวได้มากกว่านี้หลายเท่าแล้วเรื่องการเจริญสติอะคะคือถ้าสติเรามันไม่สดมันไม่สดชื่นขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันยากที่จะเจริญมากไปกว่านี้ mm hmm. เหมือนกันเรารู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยอารมณ์มันคอยแต่จะจมอะ คือพอเรารู really Jetzt, ้อะไรขึ so ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับจะดรอปลงไปมันเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะไอ้ที่เรารู้สึกว่าเฉยๆพี่เรียกว่ามันดรอปลงไปคือพอรู้อะไรแทนที่จะเห็นมันผ่านมาผ่านไปเนี่ยพอมันรู้ปุ๊บมันเหมือนกับเฉยๆทันทีอะใช้คำว่าเฉยก็ได้ไอ้ตรงเฉยๆเนี่ยก็คือพื้นฐานของเราที่มันมันเฉยอ่ะ เหมือนกับขี้เกียจจะไปยินดียินดายยังบางทีเรามีอารมณ์ร้อนวูบขึ้นมานะแต่พอเราดูไปอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกรู้สาเหมือนกับแช่แช่อยู่ในในความรู้สึกไม่รู้สึกรู้สาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่พัฒนาต่อไปเป็นอาการตื่นรู้มันจะ มันจะเหมือนความรู้สึกของเรามันจะเหมือนย่าอยู่กับที่มันไม่ไปไหนตัวเนี้ยพี่ถึงบอกว่าถ้าถ้าจะแก้จริงๆมันต้องแก้ออกมาจากฐานฐานที่มันเฉยชาต้องหากีฬาอะไรที่มันกระตุ้นความวัทสักนิดหนึ่งแล้วพอไอ้ความเฉยชามันมันหายไปเนี่ยความตื่นตัวที่แท้จริงมันถึงจะมานะแล้วมันถึงจะแอคทีฟขึ้นมา วันนี้มันลงทะเบียนเกินยี่สิบคนที่มันเกินที่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้นับเลยใช่ั้มเนี่ยไห น, ไหนใครไม่ได้ลงทะเบียนบ้างยกมือโอเคจะได้รู้แล้วว่าธงชัยอยู่ที่ไหนนะนี่อยู่คนนี้เองสุดท้ายพอดีอ่า ม, มันยี่สิบพอดีอะนะภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็ รู้สึกว่าตัวเองก็ตั้งใจอยู่แต่ช่วงช่วงนี้นี่รู้สึกว่ามันหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วก็เหมือนงานการม า, าด้วยกันมันเนี่ยงานนี่มีคู่ปิงปองเลยเนี่ยนะมาอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ยงานทางโลกมันมันเยอะจนไม่ไหวจนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีพลังเลยรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคือคือบางทีพอทำงานอะไรไป ออบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นรูทีนมากๆเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่มีอะไรให้ทำต่อไม่มีอะไรท้าทายหรือมันมันท้าทายซะจนกระทั่งเราหมดแรงสู้นะมันมันเหมือนกับรบมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยยกแล้วก็มันต้องเริ่มยกใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีให้พักหายใจใหายคอคือจาเป็นที่จะต้อง ออกมาจากโหมดทํางานจําเป็นมากช่วงนี้นะเพราะถ้ายังอยู่ในโหมดทํางานไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคราวนี้มันจะเริ่มเริ่มฟลีซแล้วอันี้มันเกือบฟลีซแล้วม่เหมือนกับทำๆไปแล้วอยากหยุดไปเฉยๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ใจอยากหยุดนะมือไม้มันจะหยุดเออกมันคล้ายๆไม่มีแรงขับดันออกมาจากข้างในแล้วว่าจะจะทำต่อไปเพื่ออะไร การออกจากหมวดทำงานไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวอย่างเดียวแม้แต่การเจริญสติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยเราถอนจิตออกมาจากหมวดทำงานนะบางทีเหมือนของคุณเนี่ยพอเจริญสติไปอยู่ๆมันมีความรู้สึกแบบเดียวกับตอนทำงานคือเจริญสติไปแล้วมันจะหยุดไปเฉยๆ นั่นเพราะว่าโหมดทำงานเนี่ยมันกินพื้นที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่เกินกว่า 90% เซเหมือนกับมีจิตส่วนใหญ่อยู่เพื่อทำงานคำแนะนำที่ดีที่สุดคือต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่จะถอนจิตเราออกมาจากโหมดทำงานให้ได้ทุกวันเช่นเล่นโยคะ หรืออันเนี้ยคือแม่ไม่ใช่แม่ไม่เพราะแม้แต่อย่างอย่างดูหนังอะไรเงี้ยจิตก็ไม่ยอมดูคือมันมันดูไปอย่างนั้นเองแล้วบางทีถึงแม้ว่าจะไม่คิดงานนะแต่ว่าจิตก็อยู่ในโหมดทางานต่อเหมือนกับไม่ไม่ถอนออกมาจากโหมดทางานนะอย่างอย่างโยคะผมว่าน่าจะช่วยได้นะ มีส่วนช่วยเพราะว่ามันได้ขยับร่างกายแล้วมันได้ทําท่าทําทางอะไรที่มันแตกต่างไปจากชีวิตประจําวันการบิดตัวการยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยของคุณนะมันมันน่าจะช่วยได้แล้วก็โอ้โหคืออย่างถ้าถ้าดูกิจกรรมทั่วไปนี่แทบจะช่วยไม่ได้เลยนะมันมันเหมือนอยู่ในมอเทําทงานตลอดเพราะเพราะคือมันต้องต้อง ต้องอยู่กับเอกสารด้วยต้องคุยกับคนเยอะด้วยตอนทำงานเงี้ยใช่ไหต้องคุยคุยโน่นคุยนี่แล้วเหมือนพอพอเริ่มขยับไปคุยกับใครปุ๊บเนี่ยมันมันจะเคยชินอยู่อาการแบบเดิมอะผลิตความคิดผลิตคำพูดแบบเดิมเดิมลงมานั้นคือมันต้องหาอะไรที่แตกต่างไปอย่างทื่นเชิงอย่างอย่างผมนึกให้ได้เนี่ยนะก็คือยกตัวอย่างขึ้นมานี่ก็คือโยคะมันได้ทาท่าทาทางอะไรที่มัน ผิดไปยากเดิมต่างไปยากเดิมอย่างสิ้นเชิงฮะเฮ้ยมีเลยเหรอมันไม่ชอบอ่ะดิมันมันเหมือนไม่ถูกจริญก็เอาเอ า, เอางี้เ อ, เอางี้ให้ความแนะนำกว้างๆนะะต้องแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีการขยับที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้จะดีขึ้นเพราะมันเหมือนกับ เริ่มต้นชีวิตเนี่ยมันเริ่มด้วยความรู้สึกว่าเรียนมากๆทํทำงานมากๆแล้วมันจะดีจนความเคยชินตรงนั้นมันกลายเป็นแบบเหมือนกับเครื่องมัดใจให้ต้องอยู่กับภาวะแบบนั้นนะมันมันเห็นการทำงานหนักเป็นของดีในตอนนี้มันมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าความเชื่อนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วในระยะยาวนะ มันมันชักเริ่มแย่ที่เห็นมันเห็นได้อย่างเดียวว่าเรื่องโยคะแต่อย่างอื่นไปหา เ, าเองก็แล้วกันนะจะบรรลุทำระหว่างที่ทางานนักคือเข้าใจนะตอนที่เกิดความรู้สึกเบือ่อแลวเห็นชีวิตเป็นทุกเนี่ยว่างทำงานเนี่ยมันมันรู้สึกเบื่อมากเป็นทุกมากแล้วก็แบบไม่อยากเอาไอ้ตรงนี้อีกแล้วแต่ตรงนั้นนะมันเป็นทุกขเวทนา ทางกายและทางใจมันไม่ใช่นิพิทามันคนละอารมณ์กันนิพิทาที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันมีความสุขอยู่นะจิตเนี่ยเปิดกว้างสว่างสบายแต่ว่าพอมันรับรู้เข้ามาที่ความมีขันห้ารู้สึกว่านี่มีร่างกายขยับได้อยู่มันเบื่อมันไม่เอามันเห็นเป็นฉากลวงตามันเห็นเหมือนแผ่นฟิล์มมันเห็นเหมือนอะไรที่เอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันมันของหลอกแล้วมันเบื่อ แต่นี่มันเกิดความรู้สึกทุกขเวทนาเนี่ยถึงทุกขเวทนานานำมาก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเอาอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วคือมันไปไปรวมกันไปผสมกันกับธรรมะตอนตอนที่รู้สึกโอ้โหมันไอ้ที่เคยคิดว่าเราขยันมาเนี่ยเป็นของดีเนี่ยตกลงมันขยันมาแล้วาะคือใครใครก็ทุ่มภาระมาให้เราอะไรอะไรก็เรา อะไรอะไรก็เอ้ยต้องคนนี้นะ ม, นมันไม่มีคนอื่นมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตมาแบบหนึง่งที่ทุกคนมองเราเป็นเครื่องจักรที่ทำได้ทุกอย่างแต่ข้างในของเรารู้ว่าเราไม่ใช่ถ้าเรายังทุกข์ได้แต่ตรงนี้ไปบอกใครไก่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเอ้าก็ยังเห็นดำได้อยู่นี่นะมัน บางทีคนเรามันอย่างนี้จริงๆนะมันมองแค่ว่าเราทําได้แต่มันไม่มองว่าเรามีความทุกข์มาถึงไหนแล้วแล้วบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยไงมันมันเหมือนพูดคือพูดอยู่อะแต่คนเขาไม่เชื่อามีความรู้สึกว่าเราทําได้นะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยก็ต้องอืเล่นโยคะแล้วกันหรือเล่นเล่นอยากถ้าอยากจะเล่นวีก็เอานี่ โอเคขอบคุณครับคือพอดีนี้ปกติเคยทำภาวนามาหลายปีครับแต่พอดีปีนี้มีปัญหาคือเหมือนงานอาจารย์หนักเหลืออะไรไปด้วยครับแล้วเหมือนทุกอย่างมันที่ทำมาหายไปหมดเลย่ทีนี้จะลื้อขึ้นมานี่ทำไงดีครับไม่นะไอท้ที่เรารู้สึกว่ามันหายไปหมดเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความจริงนแน่ๆเจตมันก็ยังดีๆอยู่อะ อย่างเมื่อกี้ตอนตอนนั่งมันก็นั่งได้ดีตอนตอนช่วงที่พี่ไก่อะเราเราก็ใช้ได้นะคือมันก็รู้สึกถึงความอะไรที่มันมันโปร่งโล่งมันสบายมันสว่างแล้วก็สามารถรู้สึกได้เป็นบูบๆเออเนี่ยมันลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกอันนี้คือความรู้สึกตัวที่ถูกใช่ไมัยังไม่ถูกซะทีเดียวคือคือมันมันเป็นสมาธิแต่มันเป็นสมาธิแบบเป็นตอนตไง คือมันสว่างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็หลงไปแล้ว ก, กลับมาสว่างใหม่แต่ตอนทํำมันตั้งใจเต็มที่ไงตั้งใจมากไปไม่ไม่ตั้งใจเต็มที่จะดีแล้วตั้งใจแบบไม่มากเกินไปคือเหมือนพี่พูดอะไรเราก็ฟังแล้วก็ทําตามนั้นเงี้ยแล้วก็คือมันก็เห็นผลขึ้นมาเป็นบูบ บ, บูแต่ไม่ต่อเนื่องประเด็นพี่บอกว่า ไอ้ที่เราคิดว่ามันหายไปหมดเนี่ยมันไม่จริงไงมันก็เป็นความรู้สึกรู้สึกไปเองว่าจิตมันยังดีๆอยู่ถ้าเกิดนั่งสมาธิขึ้นมามันก็เห็นว่าสว่างขึ้นมาได้มันก็รู้ตัวขึ้นมาได้เห็นลมหายใจคือมันเห็นแบบเป็นลมหายใจขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เห็นว่าลมหายใจเป็นธาตุลมขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็กลับมามีตัวตนใหม่กลับมามีความรู้สึกว่าเนี่ยเรานั่งโดอยู่ เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆถ้าลืมว่าพี่ไกดอย่างไงก็ไปดูที่ saukra com saiya dangtrin นะ ม, นมันมีไฟล์เสียงไกดแบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็ฟังไปด้วยทำไปด้วยแบบนี้แค่นี้มันก็จะเหมือนกับเคลียขยะอารมณ์ที่มันอยู่ระหว่างวันออกไปได้มากแล้วแล้วถ้าจิตมันสามารถตั้งเป็นสมาธิได้ ช่วงขณดหนึ่งเอาแค่1 0นาที20นาทีเนี่ยมันจะรู้สึกมีกํำลังใจบอกว่าเออเราสามารถที่จะรู้เข้ามาในขอบเขตกายใจได้ไม่ใช่ว่าจิตเสียหายไปตามงานไม่ใช่ว่าเราถูกคลื่นระยุอารมณ์เนี่ยรบกวนจนกระทั่งกลับมาตั้งใหม่ไม่ได้จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือจุดที่เรานึกขึ้นมาว่าอยากจะรู้สึกเข้ามาในตัวเองในปัจจุบัน แต่ของน้องเนี่ยมันไปตั้งมาตรฐานว่าแต่ก่อนเราทำได้ดีกว่านี้ตอนนี้มันไม่เข้าท่าพอไปคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเราเอาชีวิตเนี่ยไปฝากอยู่อดีตหมดเลยบอกว่าอาดีตที่ดีที่หอมหวานมันผ่านมาแล้วตอนนี้มันกลายเป็นอะไรที่เราเอากลับคืนไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก ที่เป็นอุปทานทํานองนี้เกิดขึ้นมาทันทีแน่ต่อไปถ้าหากว่าเรานึกขึ้นมาได้เออเนี่ยเราจะสนใจเข้ามาในความเ ก, กลียดกายใจหายใจขึ้นมาทีหนึ่งมันจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกดีกัยังไงไม่สนใจสนใจแค่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ที่มันดีอยู่หรือมันแย่อยู่ตรงนั้นเนะี่ยมันแตกต่างไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจพอเรามองอยู่อย่างนี้นะถึงแม้ว่าระหว่างวัน มันจะแยกแค่ไหนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการเจริญสติไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเวลาแค่ลบความคิดออกไปว่าเราจะเอาอดีตกลับมานะไอ้ที่มันไม่ไม่ยุ่งมากขนาดนี้แล้วที่โกรธแรงๆระหว่างวันนี้ก็คือปล่อยให้แน่นไปเลยใช่ั้มครับลองดูสังเกตดีๆนะ ที่โกรธแรงๆเนี่ยบางทีมันมีส่วนผสมของความไม่พอใจคือไปไปจับมันมาโทษแล้วว่างานเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เราแย่ลงเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้ของกับงานมันจะถูกโทษเบี่ยงแห่ไปหมดพอใครมากระทบนิดกระทบหน่อยหรือว่ามันแรงจริงเนี่ยมันก็คูณเข้าไปอีกคือคูณไกของเดิมที่เรามองไว้แล้วว่าเนี่ยเป็นตัวการ ทำให้เราแย่ลงที่พี่เห็นเนี่ยก็คือว่าเราเกิดเราเราโกรธแรงเกินจริงมันมีไอ้ส่วนตรงเนี้ยที่เป็นความไม่พอใจขั้นพื้นฐานเนี่ยผสมเข้าไปอยู่ก่อนแล้วนี่ถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเบาลงรู้สึกไหมว่ามันเออมองมองอารมณ์ตัวเองเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นพอเห็นอารมณ์ของตัวเองด้วยความเข้าใจ ได้มากขึ้นว่าที่มาที่ไปเหตุปัจจัยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอิ่มใจในการเห็นมากขึ้นที่ผ่านมาสิ่งที่ขาดไปคือความอิ่มใจมันไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรไปให้ได้ดีกลับคืนมาเท่าเดิมได้ยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราเพิ่มความอิ่มใจแบบใหม่ขึ้นมาคือความเข้าใจว่าเนี่ย ที่มันไปไม่ถึงไหนเพราะเราไปโทษคนอื่นด้วยไปโทษงานด้วยว่ามันทำให้เราแย่ชีวิตเราแย่ลงนะโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีกันที่ตรงนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่มาเสวนาร่วมกัน